สันเลขาธรรมความขัดเกลาอากุสรธรรมมันเศร้าหมอง44ี่ประการดูก่อนทิกสู่ทั้งหลายแม้จิตตุปบาทในุกุสรธรรมทั้งหลายความตั้งใจที่จะเจริญุกุสรธรรม44ประการนี้เราตถาคตยังกล่าวว่ามีอุปการะมาก จะกล่าวไปใหญ่ในการจัดแจงด้วยกายด้วยวาจาแล้วเล่าดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลากิเลสในพุทธศาสนานี้แลคือเธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาว่าหนึ่งชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้มีความเบียดเบีย น, ยนในข้อนี้ เราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนอวิหิงสาสองชนเหล่าอื่นจกเป็นผู้ฆ่าสัตว์ในข้อนี้เราจะงดเว้นจากปานาติบาสามชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้รักทรัพในข้อนี้เราจะงดเว้นจากอธินาทานส ชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้เสพเมถุนธรรมในข้อนี้เราจะประพฤติพรหมจรรย์หชนเหล่าอื่นจะกล่าวเท็จในข้อนี้เราจะงดเว้นจากมุสาวา่าหกชนเหล่าอื่นจะกล่าวส่อเสียในข้อนี้เราจะงดเว้นจากปิสุนาวาจาเจ็ด ชนเหล่าอื่นจากกล่าวคำหยาในข้อนี้เราจะงดเว้นจากพุศสวจจดิแปดชนเหล่าอื่นจากกล่าวคำเพ้อเจอ้อในข้อนี้เราจะงดเว้นจากสัมผัสประา ป, ปะ 9. ชนเหล่าอื่นจกมกเพ่งเล็งสิ่งของผู้ในข้อนี้เราจะไม่เพ่งเล็งสิ่งของของผู้อื่น สิชนเหล่าอื่นจะมีจิตพยาบาทในข้อนี้เราจะไม่มีจิตพยาบาทสิเดชนเหล่าอื่นจะมีความเห็นผิดในข้อนี้เราจะมีความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิสิอชนเหล่าอื่นจะมีความดําริผในข้อนี้เราจะมีความดํารธิถูก สัมมาสังกัปปะ1ิบสนเหล่าอื่นจกมีวาจาผิดในข้อนี้เราจะมีวาจาถูกสัมมาวาจา14บชนเหล่าอื่นจกมีการงานผิดในข้อนี้เราจะมีการงานถูกสัมมาอาชี สิบหชนเหล่าอื่นจะมีอาชีพผิดในข้อนี้เราจะมีอาชีพถูกสัมมาอาชีวะสิบหชนเหล่าอื่นจกมีความพยายามผิดในข้อนี้เราจะมีความพยายามถูกสัมมาวายามะ 17. จชนเหล่าอื่นจกมีสติผิดในข้อนี้ เราจะมีสติถูกสัมมาสติ .'18. บชนเหล่าอื่นจกมีสมาธิผิดในข้อนี้เราจะมีสมาธิถูกสัมมาสมาธิส9เ้ชนเราอื่นจะมียาณนผะิดในข้อนี้เราจะมียานถูกสัมมายานะ ชนเหล่าอื่นจะมีวิมุติผิดในข้อนี้เราจะมีวิมุติถูกสัมมาวิมุติยี่สิบเอดชนเหล่าอื่นจกถูกทีนามิทาพุ้มรมในข้อนี้เราจะปราศจากีนามิทะยี่สสองชนเหล่าอื่นจะเป็นภุ่มพงสร้างในข้อนี้ เราจะเป็นผู้ไม่คงสร้างยีสสชนเหล่าอื่นจกมีวิจิกิจฉาในข้อนี้เราจะข้ามพ้นจากวิจิกิจฉา24สชนเหล่าอื่นจกมีความโกรธในข้อนี้เราจะไม่มีความโกรธยี่สิหชนเหล่าอื่นจกปูโกรธไว้ในข้อนี้ เราจะไม่โขโกด24ชนเหล่าอื่นจกลบหลู่คุณท่านในข้อนี้เราจะไม่ลบหลู่คุณท่าน25ชนเหล่าอาื่นจะตีเสมอเขาในข้อนี้เราจะไม่ตีเสมอเขา26ชนเหล่าอื่นจะมีความริษยาในข้อนี้เราจะไม่มีความริษยา ยีชนเหล่าอื่นจะมีความตันหนีในข้อนี้เราจะไม่มีความตันหนีสสชนเหล่าอื่นจะโมโหในข้อนี้เราจะไม่โอโหวามสชนเหล่าอื่นจกมีมายาเจ้าเล่ในข้อนี้เราจะ ไ, ไม่มีมายาที ชนเราอื่นจกดื้อเดือดในข้อนี้เราจะไม่ดื้อเดือดชนเราอื่นจกดูหมิ่นท่านในข้อนี้เราจะไม่ดูหมิ่นท่าน 3. าิบส่ชนเราอื่นจะเป็นผู้ว่าญาในข้อนี้เราจะเป็นผู้ว่าใหามสิชนเราอื่นจะมีมิชชั่วในข้อนี้ เราจะมีกาลยานิชสมสิบหกชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้ประมาทในข้อนี้เราจะเป็นผู้ไม่ประมาทสามชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้ไม่มีศรัทธาในข้อนี้เราจะเป็นผู้มีศรัทธาสามสเหล่าอื่นจะไม่มีหิริในข้อนี้เราจะมีหิริ 39ชนเหล่าอื่นจกไม่มีอดตัป่าในข้อนี้เราจะมีอดตัป่า40ี่ชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้มีสุตร น, น้อยไม่แสดงในข้อนี้เราจะเป็นข้าหมูสูตเรียนรู้มากสี 40. ชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้เกียดค้านในข้อนี้ เราจะเป็นผู้ปารัความเขียร42ชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้มีสติหลงหลือในข้อนี้เราจะเป็นผู้มีสติมั่นคง43 ช, ชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้มีปัญญาซางในข้อนี้เราจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา44 จนเราอื่นจะเป็นผู้ยึดถือเอาแต่ทิฐิของตนยึดถือเอาไว้อย่างมั่นคงและสลัดทิ้งไปได้ยากในข้อนี้เราจะไม่เป็นผู้ยึดถือเอาแต่ทิฐิของตนไม่ยึดถือเอาไว้อย่างมั่นคงและสลัดทิ้งได้โดงง่ออยายตรงนี้ในสันเเลกสูตร44ประการนอันนี้เ้าให้สมาทานเสมอ ให้ทรงจําอันเนี้เป็นกุศลเห็นไหมเนี่ยแค่ตรึกอย่างเนี้เป็นกุศลหมดแล้วไม่ต้องรอให้ออกมาทางกายทางวาจาแล้วตอนนี้กุศละจิตก็เดินและ้ะนี่ไงคือการปฏิบัติทำเขาใจยังเขาดำริเพื่อเกิดในรักษณะของความตั้งมั่นอย่างนี้เวลาไปเจอบาปกุศลและธรรมทั้งหลายก็งดเว้นได้ทันทีเลยเพราะเขามีความมุ่ง ม, มัน่นตั้งมัน่นเหมือนอะไรเหมือนอุดมรากาลในใจเขาใจยังใเนี้ในพระศาสนาฉะนั้นพุท สาวของโวโรมาศาสาร์นิยดกดกะโวรมการนี่เพียบเลยเต็มกระแสใจเลยใช่นั้นกรณีที่เขามีความตั้งมั่นในสเลกระทำในทำที่เป็นเห็นการขัดเกลวสิส่งปิประการตั้งมั่นในกระแสใจอย่างเนี้ยถ้าถามว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาจะจิตใจเขาจะท้อถอยไหมไม่ท้อถอยเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหม พ, พระในศาสนาในดวงการต่างๆนี่เขจะตั้งมั่นก็จะสาธยายแล้วเขาเข้าใจไยเขาเข้าใจเลยอย่างเนี้ย นี่ตรัสไว้ในทัมพีมชิมนิกายในมูลบารณะในนี้นะแต่ในนี้ไม่ได้บอกที่มาไว้นี่ก็นี่เขามาแปลเพื่อใ ห, ให้ดูง่ายขึ้นนี่พระบรมศาสดาตรัสบอกว่าจิตตัวบาปแม้ในกุศลธรรมทั้งหลายคือทํากุศลจิตที่เกิดขึ้นนี่ยความตั้งใจที่จะเจริญกุศลธรรมใน44ประการเนี่ยเราตถาคตหมายถึงพระบรมศาสดาบอกว่ามี อ, อุปการามะมากเนี่ยทำที่มี อ, อุปการามะมากเนี่ยนิสงมาก ไม่ต้องกล่าวบอกว่าจะจัดแจงการทำทางกายและทางวาจาเห็นหั้นแค่ตั้งใจว่าอย่างนี้ทำกุศลให้เดินอยู่ตลอดตอนนี้นะแค่อันนี้กุศลธรรมก็เกิดแล้วให้สังเกตตัวที่ว่าอกุศลธรรมที่เกิดในใจเราตลอดเลยอะเอาลองมาดูนะในข้อแรกท่านใช้คําว่าเราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใช่ไหมคนเราอื่นเบียดเบียนกันใช่ไหมอาการคิดเบียดเบียนกันก็เรียก ว, ว่าเป็นวิหิงสาวิหิงสาวิตก คิดเบียดเบียนคิดยังไงคิดเบียดเบียนคิดให้คนอื่นน่าจะมีอันเบินไปใช่ไคิดในลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่าคิดเบียดท่านก็ตั้งสมาทานสำทัพไม่ให้จิตที่คิดเบียดเบียนเกิดขึ้นให้อวิหิงสาเกิดขึ้นตอนมิยู่สูตรมีิยุคําสอนสูตรหนึ่งนะตอนนั้นพระบรมพฤษท่านพระุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าดูก่อนพิกษจทั้งหลายตถาคตนั้นตอนสมัยที่ตถาคตเป็นว่าโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิญาณตอนุเวนความเพียรเนี่ย ตาพจน์ก็อือพุทธิยาก็ไปบำเพ็ญความเพียรอยู่ในป่าในขณะที่บําเพ็ญความเพียรอยู่ในป่านั้นน่ยกระแสจิตก็ตั้งมั่นมาแต่ในขณะเดียวกันใช่ไหมพอตอนเอย็ยนๆอย่างเงี้ยก็จะเห็นพวกสัตว์ป่าทั้งหลายออกมาหากินพวกกวางบ้างเก้งเอ้ยกวางเลยกระต่ายเอ้ยใช่ไหมสัตว์ต่างๆสวยงามมากออกมาเดินตามใจป่าในขณะนั้นพระองค์ก็มองในขณะที่มองอยู่ไปเสร็จนั้นน่ย ก็เกิดความยินดียินดีขึ้นมามันนิดหน่อยนะว่าเออบรรยากาศที่สวยงามทิวทัศน์ภูมิประเทศเนี่ยภูมิภาคพื้นดินเนี่ยสวยงามมากนเลยมองไปแล้วรู้สึกมีความสุขชื่ในใจนะีิสถานคดก็รู้ทันทีว่าตอนนั้นน่ะการมวิตกเกิดขึ้นกับสถาคดเลยดูสิคนมีปัญญาเนี่ยเพียงจิตไปยินดีบรรยากาศสายลมที่แผ่วเบาแล้วก็ดูจาบรรยากาศที่มี คิวทัดคิวแถวลาบเรียบมากป่าก็สวยเขียวขจีแล้วมีสัตว์ปา่าออกมาเดินเหมือนกับเดินสวนสนามกันยาวนิดนึในขณะนั้นอาจารย์ตาครุฑรูลล้ดีว่ากวามวิตกเกิดขึ้นแต่ความไปยินดีแม้บรรยากาศอย่างนี้น่าชื่นชมนะอย่างนี้เป็นต้นและในขณะเดียวกันเนี่ยก็เห็นต่อมาก็มีเสือใช่ไหมมีเสือมีสัตว์ร้ายทั้งหลายเนะ่ยวิ่งมาเพราะว่ากวางอะไรทั้งหลายมันก็วิ่งหนีเสือก็วิ่งไปเพื่อจะทําลายต่างต่างแบบนี้ย ตอนนั้นจิตของตถาคตก็รู้สึกใช่ไหมหมายความว่ารู้สึกเหมือนว่ามีความกระุณาต่อสัตว์ที่ถูกทำลายและในขณะเดียวกันก็มีอะไรจิตคิดเบียดเบียนสัตว์ที่มาทำลายตถาคตก็รู้ทันทีว่าตอนนั้นเห็นไหมว่าวิหิงสาวิตกจิตที่คิดเบียดเบียนได้เกิดขึ้นมาแล้วฉะนั้นกรณีอย่างนี้ถามว่ากระแสจิตต่างๆเหล่าเ น, นี้ย ถ้าหากว่าใครไม่สังเกตให้ดีแล้วจะไม่รู้เลยว่ากระแสใจของเราเนี่ยจะเป็นไปลักษณะอย่นี้ตลอดเดี๋ยวก็เกิดความยินดีเดี๋ยวก็เกิดความไม่ยินดีฉะ้ตัวพยาบาทเนี่ยจะเกิดตลอดใช่ไหมตรงนี้เนี่ยแหละถึงบอกว่าท่านถึงบอกว่าชนเราอื่นจะเป็นผู้มีความเบียดเบียนในข้อนี้เราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนคือไม่คิดเบียดเบียนก็ห้ามไว้ด้วยเอาอิงสาเอาอิงสาก็คือจิตคิดไม่เบียดเบียน ชนเราอื่นจะเป็นผู้ฆ่าสัตว์ <Thankfully> แต่เราก็จะไม่ฆ่าคนเราอื่นมีลกักทรัพย์นี่เขาประพฤติ ช, ชนเราอื่นพฤติปิดเมเสพเมรุนทำแต่เราจะงดเว้นเราจะพูดพรมจันชนเราอื่นพูดเท็จแต่เราจะไม่พูดเท็จชนเราอื่นส่อเสียดเราก็ไม่ส่อเสียดคนอื่นกล่าวคําหยาบเราจะงดเว้นเห็นไอันนี้เป็นกุศลศีลหมดเลยเนี่ยคนเราอื่นพูดเพืเ่อเจริแต่เราจะงดเว้นชนเราอื่นเพ่งแลงสิ่งของบุคคลอื่นนี่เพ่งเลงนี่เป็นชื่อของอภิชาความยินดีนัเนี่ยเพ่งเลงศัพ์เนี่ย ความยินดีอยากได้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปเอานะใจน้อมอ่ะปรารถนาอยากได้ของเขามั ข, ของเป็นของตนเองตอนนี้บาปเกิดที่ใจยังเกิดหรือยังเกิดแล้วโอ้โหทั้งนั้นเรานี่เกิดกันเยอะยังเหนื่อยเกิดหรือเปล่าแหมน่าจะเป็นของเราเนี่ยเราไปเห็นทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นไม่ใช่เห็นทรัพย์สมบัติที่เป็นสิ่งของอย่างเดียวนะแม้เห็นคนอื่นเขาหน้าตาดีกว่าเราอ่ะเรายังไม่รู้สึกแหมน่าจะเป็นเรานะ ใช่ไหเคยิดถึงขนาดนั้นไหมที่ไปกันสองคน3คนนี้ก็มีหน้าตาเด่นๆอยู่เราก็นึกในใจนะถ้าคนนี้ไม่มาที่จริงกรณีาการเพ่งเลงเนี่ยเป็นการเรื่องสิ่งของนะ น, นี่ไม่ใช่ชนเราอื่นมีจิตพยาบาทเราก็จะไม่มีจิตพยาบาทชนเราอื่นมีความเห็นผิดคนยังมีความเห็นผิดเขามาเห็นผิดในที่นั้นเห็นผิดว่าเห็นผิดแในระดับที่ใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องกรรมเขาไม่เข้าใจว่ากระแสชีวิตที่กระทำกรรมไปทุกครั้งทุกความคิดทุกการกระทํา ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเมื่อทําบุญไปเนี่ยกระแสของกรรมนั้นก็ส่งเสริมกระแสของชีวิตที่จะเป็นไปสืบต่อไปตามลำดับตั้งแต่ในภพนี้ด้วยตลอดถึงภพถัดไปด้แต่เมื่อกระทํากรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรนะมีการเบียดเบียนไปเตลอดกระแสของชีวิตนั้นก็จะถูกตัดรอนแล้วก็ถูกเบียดเบียนทั้งในปริบานภพจะถึงภพถัดเลยๆเนี่ยนะเขาไม่เข้าใจ <S <S เ้าเหยียผิดไอ้ตรงนี้ก็ ก็าทำความเห็นได้ถูกประการต่อไปก็คือว่าเห็นผิดแล้วก็ดําริผิดนะดี่ดำรีดำรินี่เป็นชื่อของสัมมาสังกัปปะก็คือความคิดดํารีเบียนเบียนดำํำริเป็นในกาดลดําริในการพยาบาทสิ่งต่างๆนี่ชื่อว่าดําริผิดถ้าดําริออกออกจากการเปลี่ยนเบียนออกจากพยาบาทออกจากกาลมดสิอันนี้ดําริถูกคนเราเอื่นก็กล่าวว่าจาผิดเราก็กล่าวาาสัมมาวาจาเป็นศีลในองค์มรดกด้วยนะสัมมากรรมันตาก็เป็นศีล ก็สมาชีวะก็เลี้ยงชีพถูกก็เป็นสีนี้อธิบายไปแล้ววายามะคือพยายามความเพียรนี่เนี่ยที่จริงแต่ละคําแต่ละความหมา ย, ยมีความหมายก่อนข้างก็ก็เดี๋ยวมีเวลาไปค่อยว่าไปถ้าใครสงสัยต้องการอยากจะรู้คําไหนที่ในเชิงลึกกระไดในเชิงแบบธรรมดาก็ก็กอธิบายไปตามแล้วก็ชนเราอื่นมีสติผิดสติผิดในที่นั้นก็เรียกมมตสติที่ สติเนี่ยเขาเรียกว่ามิจฉาสติมิจฉาสตินั้นเป็นชื่อของอกุศลจิตตุปบบาทที่เป็นเหตุแห่งการระลึกผิดระลึกผิดในที่นั้นระลึกยังไงระลึกเกี่ยวในเรื่องของบาประลึกในการที่จะทําชั่วเป็นต้นอะไรเนี่ยเป็นสติในทางที่ผิดในสติผิดเป็นมิจฉาสติได้กล่าวไว้ในพระสูตรไม่ได้กล่าวไว้ในพระพิธรรมมาบีโดกล่าวไว้ในพระสุตตันตปิโต เขาเรียกมิจฉาสติสภาพธรรมของเขาก็คืออกุศลจิตุบบางคือการระลึกไปในเรื่องของการฆ่าการลักทั้งหลายเหล่านี้การร ะ, ะลึกอย่างนี้แล้วแม่นยำด้วยนะมิจฉาสติตัวนี้ไม่ใช่ไม่มีความไม่แม่นยำนะแม่นยำมากแต่ร ะ, ะลึกในสิ่งที่เลวร้วายแล้วจิตใจก็เลวร้วายด้วยเนะือในขนาดนั้นนั่นก็เรียกมิจฉาสติแต่ถ้าหาส ม, มาสติเนี่ยระลึกสิ่งที่ไม่ดีก็ได้แต่ระลึกแล้วใจเป็นบุญสมแต่ถ้ามิจฉาสติเนี่ย ระลึกถึงสิ่งที่ดีก็ได้แต่ระลึกและใจก็เป็นบาปอยู่ดีเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้ตัวมิจฉาสตินะั้นมีอารมณ์ที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่ที่สุดสรุปผลออกมาก็คือจิตก็ไม่ดีอยู่ดีเข้าใจไหมมิจฉาสติเป็นอย่างงั้นเช่นระลึกเห็นคนเขาทาดีก็ดำก็คิดผิดไอต้ตัวตัวระลึกตัวเนี้ยระลึกไปจริงอยู่แต่ตัวสภาพจิตที่เกิดขึ้นเป็นจิตที่เสียระลึกไปเห็นคนที่ทำชั่วสภาพจิตก็เสียอีก แต่ถ้าสมาสติเนี่ยระลึกเป็นในสิ่งที่ดีสภาพจิตก็ดีอยู่แล้วแม้ระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีสภาพจิตก็ดีเนี่ยนะละนักษณะจะเป็นอย่างไงอันนี้ก็ย่อๆอย่างเงี้ยนะสมาสตินั้นขับเน้นไปที่ตัวสติที่เป็นกุศลถ้าไม่ช้าสติขับเน้นไปที่อกุศลหรือบาสมาธิผิดก็เป็นสภาพของเอกขัตาคือความตั้งมั่นในสิ่งผิดถ้ตั้งมั่นยังไงผิดอย่า ง, ย, างยกตัวอย่างเช่นเออมันมีอยู่เรื่องนึง น, นะ คนคนหนึ่งเนี่ยเขาคิดจะรักของเนี่ยเขามีความตั้งมั่นใช่ไหมเขาก็ปีนเขาเป็นพนักงานอยู่ในห้างใช่ไหมพอเขาการเปิดเสร็จแล้วเขาก็กลางคืนเนี่ยเขาขึ้นไปซ่อนตัวกลางวันเนี่ยเขาขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนเพดา น, นในห้างนีน่แล้วเขาบอกร้อนมากแต่เขาต้องทนจิตต้องเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่แล้วเนตั้งมาอยู่เขร้อนเนี่ยร้อนใช่ไหม <c ười> <c ười> ตั้งมันอยู่มีคนคนหนึ่งเขาเคยเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาเขาคิดเนี่ย เขาคิดจะไปฆ่าคนเขาบอกเขานั่งรออยู่เนี่ยเขารออยู่ประมาณห้าชั่วโมงเขาคอยจ้องอยู่นั่นแหละว่าไอ้คนคนนี้ยมันจะต้องมาทางนี้แล้วจะมามาอยู่ไอ้ตรงจุดที่เขาอยู่รออยู่เนี่ยเขาบอกเขารอด้วยความนิ่ห้าชั่วโมงเขาบอกเขาต้องจิตเขาต้องเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาเลยล้นเขาจะต้องรอไอ้คนตัวเนี้ยมาทีนี้พอคนนั้นมาจริงๆเขาบอกว่ามันไม่อยู่ในเป้าที่เขาจะฆ่าเขาก็ต้อง คอยจ้องจังหวะอยู่อย่างนั้นแหละเขาบอกจิตเขาจะต้องคอยนิ่งตลอดเวลาเลยนะเนี่ยคือสมาธิผิดนะผิดไม่ผิดนี่ไงคือสมาธิผิดมันจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยตั้งมัน่นบางคนนี่นะฮะเขาเพียนมากเขาตั้งมั่นในสิ่งที่ผิดนี่ก็ตั้งมั่นอย่างนี้ฉะนั้นคนช่วยทั้งหลายเนี่ไม่ใช่เขาไม่มีสมาธิเขา ม, มีสมาธิแต่สมาธิอย่างนี้ก็สมาธิที่ในอารมณ์เป็นบาปนี่ไม่จฉาสมาธิอันนี้ไม่ทรงขับเน้นตรงนะี้ สั้นๆเนเรื่องสัมมาสมาธิในเรื่องที่ถูกต้องเป็นทุกตรงนี้ก็มาไล่หลักให้ดูเวลาเราสาธยาจยะได้เข้าใจนะก็อ่านไปเนี่ยไอ้สัมมามิชายานะก็คือมิชายานะได้แก่อะไรได้แก่โมหะมิชายานะเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ไอ้ข้อที่19เนี่ยมิชายานะเนี่ยมียานะมียานที่ผิดเนี่ยได้แก่อะไรหรอในชั้นของคัมภีคำในคนคำสอนเนี่ยท่านบอกว่า มิจฉาญาณได้แก่โมหะได้แก่โมหะโมหะก็คือสภาพจิตที่ลุ่มหลงแต่โมหะจิตเนี่ยเขาฉลาดทุกเรื่องเขาไม่รู้อยู่เรื่องเดียวคือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเนี่ยหรืออริยมรรคเนี่ยเขาไม่รู้นอกนั้นเขารู้หมดนะในชั้นของโลกีธรรมเนี่ยเขารู้หมดเลยเขาไม่รู้แค่โลภุตรธรรมนี่นะตัวมิจฉาญาณเนี่ย เขารู้ผิดเราอย่าไปแปลว่าโมหานี่แปลว่าไม่รู้อะไรนี่ยโมหานี่รู้ทุกเรื่องเขารู้ทุกเรื่องแต่ความรู้ของเขาเนี่ยไม่ไม่สอดคล้องกับมัชฌิมาปฏิปทาไม่เป็นปฏิปทาที่ไม่เป็นข้อปฏิบัติที่เข้าที่ดําเนินไปสู่ความพ้นทุกเขาเรียกนิจฉัยานนะแป า, ารู้ผิดใช่ไหมรู้แล้วไม่สามารถที่จะทําตนออกจากทุกได้แ้าวิชาการหรือความรู้ต่างๆเหล่านั้นเป็นความรู้ผิดเราก็ไปสื่อค้นดูดิ เช่นคนบางคนได้ปฐมวาชาตุติวิชาตัธีวิชาเจตุทวิชาเลยนะได้รูปวิชาได้สมาบัตแ8ด้วยเนี่ยสามารถที่จะไปเกิดนู่นยันอรูปประพมก็ได้แต่มีอะไรอยู่ไหมฟังแน่นในกำบลดสันดานของท่านเหล่านี้คือมิจฉายาณนะคือเขารู้ผิดลักษณะอยนี้เขาเรียกว่าความรู้ที่ไม่สอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่ไ ม, ไ, มไม่นําตนในพ้นจากอย่างแท้จริงนั้นวิชาการต่างๆเหล่า น, นี้เขาต้องระวังตรงนี้ มันจะเป็นมิจฉาญาณกนะ็คือมันจะนําข้อปฏิบัติของเรานํากระแสชีวิตของเราเนี่ยหลงทิศหลงทางแล้วเราก็หลงทิศหลงทางกันมานานแล้วแล้ว่าเจอพระรมศาสดาพระรมศสส่าสดาก็าให้ตั้งอัตฉยาสายไว้เลยว่าเราจะเป็นผู้มีญาณนะที่ถูกก็คือสัมมาญาณปัญญาในชั้นของมรรค ส่วนมิจฉาวิมุตตก็หลุดพ้นในทาง Step ที่ผิดเช่นคนมางคนไปเข้าใจว่าเขา พ, นพ like, ้นแล้วใช่ไหมเช่นโอ pues, ้คนบงคนก็คิดว่าบางกลุ่มคิดว่านิพพานเป็นเป็นกามาคุณเป็นนิพพ า, านบางกลุ่มก็เข้าใจปฐมฌานเป็นความพ้นทุกข์บางกลุ่มก็เข้าใจทุติยฌานเป็นความพ้นทุกข์บางกลุ่มก็เข้าใจว่าตติยฌานฌานที่สามเป็นความพ้นทุกข์บางกลุ่มก็ฌานที่4อย่างเงี้ยเป็นความพ้นทุกข์บางกลุ่มก็ไปเข้าใจอรูปฌานยูนี่ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาญานาา น, น, าานาะ ความเข้าใจว่าตนเองพ้นทุกข์จริงแต่จริงๆไม่ได้พ้นส่วนสัมมาวิมุตติก็คือการถูกต้องก็คือการปริภิภานประการต่อมาคือว่าชนเราอื่นจะเป็นผู้ถูกทีน้มิทาคุ้มรุมเอาอะไรแต่เนี่นะอย่างพวกเราถูกความหวดหูทออหดห่ท้อถอยคุ้มรุมจิตหดหู่ท้อถอยไอ้ความหวดหู่ท้อถอยตรงเนี้ยเป็นสภาพของทีนะำคำหนึ่งกับมิทาคำหนึ่งไอ้ทีน้มิทาเนี่ยธรรมชาติที่ไปตัดตรอนวิริยะ ไอตัวถีน่าเนี่ยเขาตัดรอนวิริยะไอความเพียงที่จะเกิดขึ้นน่ยจะถูกไอตัวเนี่ยไอตัวถีน่าคอยตัดรอนทําให้ถีนะเนี่ยมันซุดตัวลงเดี๋ยวทำทำให้ตัววิริยะเนี่ซุดตัวลงไม่สามารถที่จะเพียงได้คือทั้งสองตัวนี้จะดูจากกิตของเขาเนี่ยนะก็คือไม่ทําให้กระแสชนะมุกระแสจิตขึ้นสู่ชนะซึ่งน่าน่ากลัวมากทําให้คุศลไม่เดินเลยอคนที่ถูกตรงนี้กุ้มรุมตลอดเนี่ย เวลาจะพิจารณาเอางานเอาการเอาสิ่งที่ดีงามขึ้นมาอะไรมันจะเข้ามากระแทกใจเราตลอดฟุ้งซ่าน <c oughs> วิจิกิจฉาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอันตรายหมดเลยเนี่ยนะตัวสภาพสภาพที่เป็นวิจิกิจฉาตรงเนี้ยเวลาดูสิ่งที่เป็นอันตรายเนะี่ไอตัววิจิกิจฉาเนี่ยความสงสัยสงสัยในอะไรสงสัยพุทธเจ้าเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีจริงหรือไม่ใช่ไหมความไปสงสัยแบบเนี้ เราบอกว่าโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้โลกอย่างยิ่งหรือพุทธยามีสัพพัญญุตยานสามารถรู้ทุกอย่งทุกอย่างเอางี้นะว่าโล ก, กธาตุมีเท่าไหร่พยานของพระบรมศ า, าศาสด า, าก็มีเท่า น, นั้นถ้าพูดคำเนี้ยเราก็เริ่มเอใจใช่ไหมโล ก, กธาตุมีมากกว่าแสนโกจกวาลแล้วกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในมากกว่าแสนโกจักวาลเนี้ยสิ่งที่มีอยู่ในโล ก, กธาตุทั้งสิ้น ที่พยานของพระบรมศาสดาที่ไม่เคยได้สัมผัสไม่มีเลยนี่แปลว่าอะไรเนี่ยพยานของพระบรมศาสดาเนี่ยพาปัญญาญานเนี่สัพพัญญุตญาณของพระบรมศาสดาเนี่ยเคยได้สัมผัสของกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกธาตุทั้งสิน้นลองคิดดูสิโลกธาตุมีมากไหมมากกว่าแสนาจาักรวาลที่ถ้าเราดูกันคําว่าอาาเขตคขานับเป็นหมื่นจักรวาลเนี่เออขออภัยชาติเขตเนี่ยคือหมื่นจักรวาล อนาเขตคือแสนแสนแสนโกจักรวาลทวิสัยเขตหาประมาณนี้ได้ทีนี้พยานของพระบรมศาสดาเนี่ยถ้าในฐานาฐานยานบอกเออในในทศวรยานบอกว่าพยานของพระบรมศาสดาเนี่ยพระบรมศาสดาตรัสเองนะบอกว่าที่จะไม่ได้สัมผัสสิ่งที่พยานไม่ได้สัมผัสไม่มีที่ไม่ได้ถูกต้องไม่ได้เกี่ยวข้องก็แปลว่าอะไรแปลว่ากระแสชีวิตของเราในอดีตเนี่ย ขยานของพระบรมศาสดานั้นเคยตรวจสอบไปเสร็จแล้วแล้วก็รู้ว่ายังไม่สามารถที่จะพ้นจากวัตทุกก็ลองดูพระทรรคํ า, าคสอนดูดิเอาใครที่สามารถจะคิดคําสอนได้ขนาดนี้คนธรรมดาไม่มีทางจะคิดได้ยังไงที่สามารถคิดคําสอนออกอแค่ว่าพระตรัยวิโดก8ป0 0 0ีพันพระธรรมขันธ์จะคิดยังไงเราไปศึกษาดูแค่อ่านดูเนี่ยแค่ยังสันสเลกระทำเนี่ยถามว่าใครจะคิดได้ใีสันสเลกระทำแบบนี้ นี่ทางมันจะคิดได้นี่เห็นไหมถ้าไม่ใช่พระปัญญาที่เกิดขึ้นจากสัพพยุตญาณสัพพยุตญาณนี่คือมหากริยาญาณสัมบยุะที่เกิดในอาถัยที่อาศัยอาทยัยวัูถของพระมาหาบุรุษันธ์เกิดขึ้นฉะนั้นเวลากระแสโฉนหากระแสจิตของพระองค์เกิดขึ้นเนี่ยเร็วมากการระลึกชาติเนี่ยพวบรมปราสดาเนี่ยหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยระลึกได้เก้าสบเอ็ดกล่ ช่วงหายใจเข้าและออกเนี่ยนะนั่นแหละคือคือพระพุทธเจ้าแต่ถ้าคนมีวิจิกิจฉาจกสงสัยทันทีว่าจริงหรือว่าพุทธเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นข้อนอีกข้อหนึ่งก็คือว่าสงสัยว่าการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตามมรรคแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจสัมมากามตาสมาชีวสัมมาวิมารสัมมาสติสัมมาสมาธิจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่สงสัยนะ สงสัยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเมื่อเอามาประชุมในใจแล้วของกระแสชีวิตกระแสขันแล้วเนี่ยแล้วจะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงมรรคผลได้ถึงเป็นไปได้หรือจะพัฒนาจากศีลธรรมดาเนี่ยขึ้นสู่ในด้านวัดศีลแล้วก็พัฒนาเป็นไปตามระดับเช่นว่าศีลจากไม่สมศีลเนี่ยนะจากศีลสมาธิธรรมดาธรรมดาไปรวมกันอยู่ศีลสมาธิที่ประชุมในอุปยาแลสมาธิ ศีลสมาธิปัญญาพัฒนาไปประชุมกันในบทของฌานศีลสมาธิปัญญาไปประชุมกันในทุติยะฌานฌานที่สองศีลสมาธิปัญญาไปประชุมกันในฌานที่3ศีลสมาธิปัญญาไปประชุมกันในฌานที่4ศีลสมาธิปัญญาที่ประชุมกันในรูปฌานหนึ่ามสี่คือสามารถสิกขาสามไปประชุมในสมาบัติ8ได้แล้วยังไม่พอนะบอกศีลสมาธิปัญญาไปประชุมในวิปัสสนาญาณนะเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงได้ ไปไประชมในทุกขานุปัสสนาเห็นในความเป็นทุกข์ได้ไปไประชมในอนัตตานุปัสสนาเห็นในความเป็นไม่ไม่ใช่ตัวตนได้ไปไประชมในนิพิทานุปัสสนาแล้วเบื่อหน่ายได้นี่นะไม่ไม่เชื่อนะว่าการพัฒนาศิกขาสาวมันจะสามารถพัฒนาเป็นเวตาลลำดับได้แล้วจนสามารถไปไประชมในมรรคได้แล้วก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แลว้วพ้นจากวัฏทุกได้เนี่ยเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อข้อปฏิบัติ ว่าสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยฝึกฝนเพียรพยายามแล้วมันจะสามารถพัฒนาก้าวออกจากบาปกระสุดและมำเวลามุกได้แล้วก็พัฒนาไปจนถึงการบรรลุธรรมท่านสูงสุดอะเขาไม่เชื่อข้อปฏิปนี่คนมีวิจิตริยาเพราะไม่รู้เพราะไม่ ร, มรู้ก็สงสัยและสงสัยป ร, ริยัติธรรมเนี่ยว่าเอาที่พระไตรปิฎกที่เราเรียนมานี่ถูกต้องจริงหรือไม่นี่สงสัยเลยประการต่อมาจะสงสัยพระริยะเจ้า แท้ๆเนี่ยผู้ปฏิบัติทำออกจากวัฏฏทุก์เนี่ยในสงสารวัตเนี่ยด้วยมรรคแปดที่บรรลุธรรมเหล่านั้นมีอยู่จริงไหมก็ไม่สงสัยเลยไี่พระสงฆ์เนี่ยที่กําลังจะเดินตามศิกขาสามคณะเมธีที่กําลังจะเดินตามศิกขาสามใช่ไหมนี่จะไปถึงความพ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่นี่สงสัยปฏิปทาของพระของผู้ปฏิบัติผู้ขัดเกล้าทั้งนี้ถ้ามาบอกว่าในสาวถีใช่ไหม เคได้ว่าพระบรมศาสดาประทับที่กรุงสาวัตถีเนี่ยประทับ25่สิาพรรษาประทับที่เชตวัน19ประทับที่ปุกพลาลามอีกอีก6รวมเป็น25ทําไมประทับงานขนาดนั้นต้องดูผลการประทับนะประชากรประชากรในสาวัตถีเฉพาะเมืองสาวัตถีนะไม่ได้นับตั้งแว้นะมีประชากร อ, อยู่70ล้านเจโกดเนี่ยเจล้านเป็นพาริยะ50ล้านเอาเลยสิ ลองคิดดูดิประชากร70ล้านเนะี่ยเป็นพาริยะเป็นภ า, าริยะบุคคลเป็นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยห้าสิล้านคนไม่ได้เป็นเสียยี่ล้านแล้วก็มาดูประเทศไทยประชาประเทศไทยประชากรเท่าไหร่เท่าไหร่หกสเท่าไหร่หกสล้านเป็นภาริยะเท่าไหร่เนี่ยเรจะเห็นชัดเลยใช่ไหมเมืองไม่น่าอยู่แต่สาวถีถ้าเราย้อนยกไปหน่อยเมืองที่น่าอยู่มากใช่ไหมไปที่ไหนพาริยะเต็มบ้านเต็มเมืองทุกวันมียุ่งเลยอย่างนี้เราก็มาดูทีเนี่ย คนก็บรรลุกันมากมายแต่ประยุ์ันนี้ไปก็ก็ไปดูไปดูไปฟื้อนอดีตเพื่อให้เกิดขึ้นในใจน เ, นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยก็ก็ได้เข้าใจนี้ผลประโยชน์แห่งการปฏิบัติในศิกขาสามเช่นเดินตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเขาไม่เชื่อสิกขาสามนะไอ้พวกมีวิจิติิชานี่เช่นไม่เชื่อครูสุรศีนี่กำลังปฏิบัติกันเนี่ยเขาจะเกิดลังเลสงสัยเลย ลังเลสงสัยว่าจริงหรือที่จะเอาเจเอาตัวศีลหศีล8ศีลสิศีล2 27สิศีล3 11เนี่ยมาประชุมในกระแสของชีวิตได้จริงหือแล้วก็จะพัฒนากุศลศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยให้สามารถที่จะทำให้ได้รับประโยชน์จริงคือการพ้นทุกข์เขาไม่เชื่อสิกขาสามพวกนี้เป็นพวกตั้งท่าที่กำหนด เ, นเอาแน่ไม่ได้คือจิตใจบอกว่าทาดีทา ท, ท, ท่าจะเชื่อกลังเล อยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่แน่นอนไอ้ตัววิจิกิจฉาเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนตัดคนที่มีคนที่มุ่งมั่นนะกำหนดแน่นอนว่าได้แน่มีความเชื่อมั่นเพราะศึกษามาดีแล้วเข้าใจมาดีเนี่ยเดินมุ่งมั่นเนี่ยวิจิกิจฉาก็จะถูกคลายตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เชื่ออดีตภพไม่เชื่ออดีตขันไม่เชื่อหรอกว่าในอดีตเนี่ยมีคือพวกนี้ไม่เข้าใจเรื่องปัจจุบันผล แล้ไม่เข้าใจเรื่องอดีตเหตุไม่เข้าใจเรื่องปัจจุบนันเหตุไม่เข้าใจเรื่องอนาคตผลใช่ไหมอดีตเหตุเป็นปัจจัยแก่ปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุเป็นปัจจัยแก่อนาคตผลตเหตุกับผลตรงเนี้ย <c oughs> เขาเขาไม่ค่อยแล้วก็ถ้าสังเกตอย่างนี้ว่าเนี่ยที่นั่งๆกันเนี่ยอัธยาสายไปคนละเรื่องเลยสติปัญญาก็คนละยุคนคนละมุมใช่ไหมมันมาจากอะไรอดีตเหตุ <c oughs> นั้นปัจจุบัน ปัจจุบันผลที่เราได้รับก็ต่างกันเห็นไหมสิ่งที่เราได้รับอยู่ตลอดเนี่ยทุกวันตื่นขึ้นมาเนี่ยคนเราเนี่ยจะได้รับสิ่งที่ดีและไม่ดีต่างกันตลอดเนี่ยตรงนี้นั้นคนที่มีความเข้าใจเหตุผลความกระทําเบื้องต้นก็ละลายพฤติกรรมของวิจิกิจฉาอนาคตก็ไม่กลุ่มนี้ก็เหมือนกันนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านต้งบอกว่าสภาพของวิจิกิจฉานี่นะวิจิกิจฉาก็คือว่าความลังเลสงสัยต่างๆเหล่าเนี้ ลักษณะก็คือมีความสงสัยกิตจรัญศสตก็คือสภาพจิตที่หวั่นไหวในอารมณ์ต่างๆได้ง่ายผลปัจจุบฐานะผลปรากฏก็คือว่าทำที่ให้ผลก็คือจิตนั้นลังเลไม่สามารถตัดสินอารมณ์ได้ตัววิจชียริชานี่อาการปรากฏก็คือสภาพที่รับอารมณ์ต่างๆรับอารมณ์ต่างๆถามบอกว่าสภาพที่รับอารมณ์ต่างๆก็หมายความบอกว่ามันไปคิดเรื่องอะไรมันสงสัยเรื่องนั้นนะ่ย สงสัยแบบนี้เป็นนิวรนะีคิดเรื่องพระพุทธเจา้าสงสัยว่ามีจริงหรือไม่จริงพระธรรมปริยส่งสิกขาสามสงสัยอดีตภพอดีตขันอนาคตะภพนาคตขันสงสัยทั้งอดีต ท, ทั้งนาคตต่างๆสงสัยก็หลักของเหตุผลปัจจาการต่างๆสงสัยเขาเรียกปฏิจจ์ท่านต้งบอกว่าสภาพของประทัดฐานเหตุใกล้ของวิจิกิจขาก็คืออายโยนิโสมนัสิกานคือการไม่ฉลาดคิดทีนี้ถ้าถามว่าสภาพที่หมุนไปเนี่ย สภาพที่วิจิกิจฉาไม่สามารถจะตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวได้เนี่ยนะไม่สามารถที่จะตั้งได้เมื่อไม่สามารถที่จึงเกิดความลังเลสงสัยวิจิตจฉามีลักษณะลังเลสงสัยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้บอกว่าถ้าหากจิตเศร้าหมองเพราะความโลภความโกรธความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงมานานนั่นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่จริงสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองก็เพราะจิตเศร้าหมองไหมสัตว์ทั้งหลายผ่องแผ่วก็เพราะจิตผ่องแผ้วแต่ด้วยการที่ว่าเขาตรวจสภาพ ลังเลสงสัยในฐานะแปลประการนี้เป็นธรรมที่จริงหรือไม่จริงเป็นต้นเหล่านี้ชื่อวิจิกิจฉา้าทวกแก้ด้วยยาคือปัญญาได้ ย, ยากมากวิจิกิจฉาเนี่ยใช้ยาคือปัญญาไปแก้ก็ยากไม่รู้จะแก้อย่างไรเพราะสภาพปัญญาจะไม่ค่อยเดินจะไม่ค่อยเกิดเพื่อจะมาทํากิตในการแก้วิจิกิจฉาไอ้ตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังถ้ามันมีกําลังมาขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเนี่ย มันจะทำให้เราเกิดความลังเลแล้วก็ในส่วนจริงก็ขัดขวางการที่จะเดินมุ่งหน้าต่อการขัดเกลาตัวเองนี่นะไอ้ตรงนี้เห็นนักธุรัดาบอกว่านักศึกษาอย่าถามปัญหาอะใช่ยอะ ไ, ไม่ฉาสติองทำได้แค่อะไรท่านกะอะไม่ระบุเพียงใช้คำว่าอกุศลจิตุบาทที่เกี่ยวกับระลึกชั่วรละลึกในสิ่งที่ไม่ดีในในชั้นของดีกาท่านใช้คาว่า มุทัสติคือการหลงลืมสติเนี่ยได้แก่อกุสนิทุบุบังหรือมิจฉาสติท่านก็เลยกล่าวถึงว่าเป็นสภาพของสภาพของทั้งจิตและเจตสิกที่เป็นอกุศลที่เป็นเหตแห่งการระลึกท่านกล่าวอยู่นั่นเลยแล้วไม่ได้ระบุตรองค์ธรรมเขาไว้ไม่ได้ระบุตังค์ธรรมเลยถ้ามิจฉาญาณะมัได้แก่โมห oh ะชัดเลยตัวโมห oh ะตัวโมห oh ะเจตสิกเลยได้แก่ความหลง คือว่าท่านกล่าวบอกว่ามิตรโมหะ ร, รู้รู้ทุกเรื่องยกเว้นโลกุตาทำก้าวหมายความว่ามัจจิมาปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความเปนทุกข์ถ้ามิจฉาวายามะเป็นวิริยะเห็นั้มนั่นกับวิริยะในอกุโสถ้ามิจฉา ว, วาจามิจฉากัมมันตามิจฉาอาชิวะต่างๆเหล่านี้ท่านก็กล่าวถึงในเรื่องของกลุ่มอวุโสเหมือนกันถ้ามิจฉาสมาธิเอาเอกคตา ถ้ามิจฉาสมาธิก็เออขอไปมิจฉาวายมิจฉาสมาธิได้แก่เอกขตตะที่นากุศลแต่ถ้ามิจฉาสติไม่ระ บ, บุองค์ธรรมบอกว่าอากุศลจิตูบาทที่ไปเกี่ยวขึ้กันเลยสคือคือสัญญาเนี่ยเป็นประ ฐ, ฐานของสติสัญญาในอกุศลก็เป็นประ ฐ, ฐานของมิจฉาสติเป็นเหตุใกล้ของเขาอีกทีหนึ่งแต่ถ้าสัญญาที่ในกุศลก็เป็นประ ฐ, ฐานเป็นเหตุใกล้ของสมาสติเนี่เป็นอย่างไง ก็สัญญาในกุศลเป็นประทัดฐานเป็นเหตุใกล้คือลักษณะลักษณะปัจจุบันฐานและประทัดฐานไอตัวประทัดฐานคือเป็นเหตุใกล้ของมิจฉาสติอีกทีหนึ่งเป็นเหตุใกล้ไม่ใช่ตัวมิจฉาสติแต่เป็นตัวเหตุใกล้อีกทีนั้นก็เลยเป็นการกล่าวโดยองค์ธรรมรวมเอาเอาอกุศลเป็นประธานเอาอกุศลเป็นประธานทั้งหมดเลยเอา่าใช่จะจงในเรื่องการละลือา่านนักศึกษาพ่อจะถามว่า ที่เมื่อถนี on, ival, on, ้กได้บอกว่าตามภาษานโนๆครับเช่นผับเฟหรือการคอนเทนต์นียเป็นระดับที่เร่อไม่ได้ส่งนเข้าไปจับกระบอะไรอางเงี้ครับแล้วถ้าหามวาถ้าเป็นคนที่เขาทางานในนั้นที่เขามีติดที่ยวเทียวทำได้ไม่มีติดที่ยวงานอื่ได้นะครับแต่เขาทำด้วยความคือตัดิทแล้วอานึ่งเขาต้องเลี้ยองแม่ มอ๋อคืออย่างนี้ด้วยนะแม้พูดไปกระทบอะไรเยอะมากเลยเพราะขอเงินเ อ, เอาเนี้ก็แล้วกันอย่ากตัวอย่างเช่นกลุ่มที่ผลิตสุรากับพนักงานที่ทํางานผลิตเองยาเสร็จยาสูบก็มีแล้วเจอมาก็พวกมีกรณีการที่วิ่งครับมีพระที่อยู่อามาเนี่ยเท่านก็ทํางานแต่ทํางานตรงเนี้ยต่อมาดานมาบวช ท่านบอกเลยผมเนี่ยทาทํางานพวกนีม้มามากเลยท่านอาจารย์ทำแล้เป็นยไงผมไปอยู่ที่ไหนผมก็กรรมมาเล่นงานผมตลอดเลยทําเป็นยงไงเชื่อไหมผมไปอยู่ที่ไหนไม่นานนะที่ผมจะเจอแต่สิ่งแวดลอ้อมทําให้ผมนี่สารพัดโลกเลยแม้ผมนี่สร้างเหตุปัจจัยผมส่งผมวิ่งส่งบุหรี่ให้กับเขาส่งเล่าส่งบุหรีห่กับคนมึงมากจริงๆแม้ผมไปอยู่ในที่ไหนผมไม่ค่อยได้รับความสุขเลยนี่แค่ในปัจจุบันเรพบดีนะ แค่ในปัจจุบันเราพบนึนะ่ทีนี้ถ้าถามบอกว่าในกรณีที่มันมีความจําเป็นเห็นไหไอ้นี่มันยังไงเลคือว่าในบ้านเรามันเอาสิ่งที่มันมอมเมาลงมาตูนมันก็เลยมองว่าเป็นการสร้างงานเห็นไหมสร้างงานเพื่อให้เกิดอะไยได้นี่มันมีคนหกลุ่มหนึ่งก็คือไปทํางานมันจําเป็นต้องทำอะไรเพราะว่ามัแต่จริงๆนะสิ่ ง, งต่างๆที่ไปทำอย่างนะั้นมันเกี่ยวข้องกับสิ่งนะั้ ถึงแม้จะไปจําเป็นแต่จนเองก็รุ่มหลงนั้นก็เกิดความรุ่มหลงอยู่ดีเพราะเราอยู่สิ่งแวดล้อมเสียหายมากทั้งระบบเสียงระบบสิ่งแวดล้อมคนที่มีการประพฤติผิดกันอย่างชนิดที่ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครเมื่อมีความมึนความเมาเข้าไปลาดรดกระแสเป็นชีวิตแล้วฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้ก็กระทำผิดกันออกมาอย่างเชนิดที่ก็เริ่มตั้งแต่เราเข้าไปก็เริ่มเมากันอ้อแอะเข้าไปพอไปเบเสร็จก็ โอ้โห oh, ทั้งเสียงทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมถ้าต้องการอยากจะดูว่ามันสภาพที่น่าเกลียดขนาดไหนถ้าตอนเขาเลิกงานไปเสร็จนะให้คนเป็นหมื่นเป็นพันออกมาไปเสร็จแล้วไปดูพื้นที่แล้วถ้าเกาสว่างด้วยนะลองเอาภาพไปถ่ายที่ไปถ่ายถ่ายออกมาแล้วก็มาโชว์ให้ทั่วบ้านทัน่วเงิองนั่นเราจะเห็นว่าสภาพอะไรนะทั้งสกรปรกทั้งแต่เขาตอนกลางคืนเนี่ยพอเกิดความมืดขึ้นมาเขาใช้แสงสว่าง ใช้แสงสีเสียงกบดูเหมือนสวยงามหมดเลยแต่ที่ไหนได้ในนั้นบรรยากาศที่เลวร้ยรายมากทั้งอากาศก็เลวร้ยรายทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าทั้งอะไรต่างๆนี่คือรูปก็ไม่นามนะ่าดูเสียงก็ไม่น่าฟังกลิ่นก็เหม็นแต่ด้วยสภาพของตัญหาหรือความมอมมอนเนี่ยคืออย่างนี้ได้บอกไว้แล้วว่าราคะคือความกำหนักโทสะคือความโกรธ โมหะคือความลุ่มหลงความโมเมาทั้งหลายมีกลิ่นคาวนั่นองไอ้กลิ่นคาวของกิเลสเหล่านี้มันไปเสพแล้วมันติดมันไม่ไอ้ผู้คนนั้นเป็นผลมันเป็นผลจากที่กิเลสมันเกิดในกระแสชีวิตมันไปเกาะติดอีกทีนั่นก็ว่ากันไปแล้วมันเกาะไม่แน่นอนหรอกวันนี้มันไปเกาะคนคนนี้ติดแล้วชื่นใจนัเข้ามันไม่ไม่ชืนใจแล้วกิเลสไม่เอาแล้วคนนี้ก็สลัดคนนี้ทิ้งมันก็ไปเกาะบุคคลอื่นไปเรื่อยๆแล้วมันผมไม่เต็ม ไอสภาพของกิ่นคาวของกิเลสใช่ไหมก็เหมือนดรรดาบอกว่าเออกินอาหารถ้ากินอาหารเจเนี่ยก็ไม่ต้องบาปมันไม่ใช่บาปอยู่ที่เจหรือเนื้อมันบาปอยู่ตรงที่กินคาวของกิเลสที่ตัวไปยึดติดไปยินดีไปเพลิดเพลินไปรุ่มหลงเป็นมัวเมาไปกำนัดไปขัดเคืองไปรุ่มหลงเนี่ยกับสภาพที่เกิดความยินดีเกิดรสอร่อยไอสภาพใจตรงนั้นน่ยที่มีกิ่นคาวของราคะเจือิญเวทนาขัน คือการได้ไป็นสวยรถของกิ่นเทานั้นแม้รถของโสมนัสก็ยินดีใช่ไหมก็ยินดีกับความสดชื่นมันจะไปต่างอะไรกับสุนัตที่แท้กระดูกอ่ะแล้วอร่อยน้ำลายตัวเองอ่ะถามบอกว่าอาหารที่มีคุณภาพดีที่สุดเนี่ยไม่ผ่านคอแต่ให้ผ่านเนี่ยใส่เจาะเจาะคหลอดคอหอยอะ่ะก็ได้ย่าไม่ผ่านลิ้นให้เจาะเข้าตามเส้นเลือด ทั้งๆต่อชีวิตก็อยู่ได้เนี่ยจะเอาไหมล่ะเอามาไปเจออยู่คนหนึ่งเนี่ยตอนนั้นป่วยก็ไปพักอยู่ด้วยกันใช่ไหมนี่เขาถูกตัดเนี่ยเนี่ยลำไส้ตัดมาถึงเนี้ยหมดเลยคือไม่สามารถจะผ่านอาหารลงไปได้แล้วถูกผ่าตัดแล้วตัดลำไส้ออกทีนี้มันก็เหลือแต่กระเพาะตรงเนี้ยเวลาเขาจะให้อาหารแต่ละครั้งก็คือต้องถ้ามีหลอดตัวไองมีมี ม, มีตรงเนี้ยจะต้อง อผสมอาหารข้างนอกนะแล้วก็กดเข้าไปที่ท้องเลยต้องร้องนะกดเข้าไปแต่ที่เจ็บใช่ไห ม, มก็กระทุ้งผ่านเนื้อไปร้องโอ้ยแต่ละทีเนี่ยคือต้องฟีดเข้าไปในทางช่องท้องแต่ก็อยู่ได้พออยู่ได้ถามว่าผมทรมานมากแต่ละยีถามทำไมก็ผมอยากจะกินเนะ่ะอยากให้มันผ่านลิ้นอ่ะทำยังไง ผมก็ต้องเอามาแตะแตะลิ้นแล้วก็กินก็กินไม่ได้ใช่ไหมแต่เพราะมันไม่มีหลอดสายอาหารลงไปแล้วก็มาแตะลิ้นเคี้ยวเค้ยวเค้ยวอมทิ้งอมที่อมคลายอมคลายแล้วน่าทรมานนี่ไงจริงๆแล้วก็คือไอราศาสตันหาเนี่ยความยินดีความเพลิดเพลินความติดใจในรถไอ้กินคาวของกิเลสเนี่ยเพราะกิเลสมันไม่ได้อย่างใจโอ้โหมันทรมานมากเล่นรนกระเสือกกระสนกระสากระสาย เราเป็นท่าตุมานานแล้วแล้วออกอย่างมันไม่ได้ใช่าไหมกรณีเนี่ยถ้าไม่ผ่านลิ้นเนี่ยทุกคนไม่ชอบใจเลยเอาเนี่ยให้มันเลยเลยเล ย, เ ล, ยลิ้นมาใส่ตรงคอนี่ก็ได้เนี่ยก็สามารถใส่อาหารได้หรือทั้งจมูกก็ได้ใช่ไหมฟีด ท, ทั้งจมูกก็ได้ที่ก็ใส่ลงไปกระเพาะก็ได้คนผมไม่เอาแต่ขอให้ผ่านไอ้ลิ้นเนี่ยไอ้แผ่นลิ้นเนี่ย ให้มันแปะแปะลิ้นหน่อยแค่นั้นแหละแล้วก็ไหลเลื่นลงไปไหลเลื่อนกันไปบางทีแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอะด้วยความที่อะไร่อยมเอลมันเนี่ยยไงเคี้ยวเคยเคี้ยวรีบเกินเอตาก็จ้ององอื่นรีบแล้วเคี้ยวเคี้ยเคี้ยรีบเกินขยอกเกินไปอย่างเงี้ยใช่ไหมพรอหนักข้าวหนัข้าอวท้องก็เต็มขึ้นมาแล้วตัณหาก็ยังไม่หมดอีกเอ๊นั่นก็อยากกินอีกเดี๋ยวท้องมันแน่นแล้วเนี่ยก็กินใหญ่เห็นไหมมันไม่เกี่ยวกับผักมันไม่เกี่ยวกับเนื้อแต่มันเกี่ยวกับไอ้ีี่นย้เ เขาจยังฉะนั้นตัวนี้ต่างหากที่เรามีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงบอกให้ถอนให้ละให้ได้ให้ประหารให้ได้คือ ส, สภาพของความอยากความต้องการความยึดติดทั้งหลายเนี่ยพอจะเข้าใจาไอมตรงประเด็นที่ถามปัญหาบอกด้วยเนี่ยนั่นส่วนหนึ่งอส่วนที่บอกว่าอาชี พ, ชพคืออย่างนี้อาชีพเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอบายามุกใช่ไหม เที่ยวการคืนเที่ยวดูการละเล่นแล้วเราไปเที่ยวพันตรงนั้นโอกาสเกิดเรื่องก็ง่ายอันตรายก็เยอะพระเจ้ากล่าวแล้วไม่มีคนไว้ใจเลยถามสมมตินะว่าเรามีภรรยาเราก็บอกภรรยาบอกว่าให้ไว้ใจผมเธอผมเป็นแค่นักล้องไปเล่นในบาร์แค่นั้นคุณอยู่บ้านคุณก็นอนหลับให้สนิทเธอะไว้ใจได้ไม่เคยคิดนอกใจถามว่าเขาไว้ใจไห เดี๋ยวข้อเทจริงไม่มีทางเราแวงกันอยู่นั่นแหละก็สถานที่ตรงนั้นมันสถานที่มัวเมาเลืองรอีกคนนึงก็บอกอุ้ยไว้ใจผมได้ผมเพียงแค่เป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารอยู่ในนั้นเท่านั้นเลยแล้วเขพี่ไว้ใจหนูที่หนูเอาทำไมแต่งตัวแบบนั้นเอาเขาพนักงานเสิร์ฟอาหารก็ต้องแต่งแบบนี้อะเพราะมันจะต้องมีการถูกเนื้อต้องตัวกันบ้างอะไรต่างๆนะแต่ว่าใจนะไม่เคยเอ็นเลี้ยงให้คนอื่นเลยก็พี่คนเดียวสมวติเนี้ยเชื่อใจไหมละ่ะ นอนหลับเอาตัวเราเลยอ่ะแฟนแฟนไปทํางานนี่นะแฟนจําเป็นอ่ะเราก็ไม่มีงานทําด้วยต้องอาศัยเขาอยู่แล้วแฟนก็ต้องไปงั้นแต่งตัวนุ่งน้อยหมน้อยไปเสิร์ฟอาหารพอใจไหมพอใจไหมแล้วอยากให้แฟนออกมาไหมแล้วเราจะต้องหางานอื่นดีกว่าใช่ไหมเนี่ยมันก็แค่นี้แหละทเหตุผลก็คือตรงเนี้มันไม่ได้หรอกได้ข้อเท็จจริงไงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นที่ไม่ควรไปเลยอ่ะไม่ควรไปทั้งนั้น ไม่ว่าแก่เท่าก็ไม่ควรไปอยู่ที่ตรงนั้นเสียคนหมดน่ะไม่ใช่ว่าคนแก่แล้วกิเลสจะไม่มีนะเน่าข้าน่าข้าก็เดี๋ยวก็ปล่อยแก่เดี๋ยวก็ปล่อยแก่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นสภาพที่มันไม่น่าอยู่เป็นสภาพที่มันทําให้จิตใจขึ้นเผอคนไปอยู่ตรงนั้นลืมเนื้อลืมตัวหมดแล้วก็ดูสิ่งเล่าอะไรต่างๆเห็นไหมปัญหาปัญหานักร้องปัญหาดาราทั้งหลายนี้สงัสงเกตุดีๆมันจะมีสภาพเห่ือการที่มีปัญหาแตกเล้ากัญญาตลอด เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันสิ่งล่อเขาเยอะมากปัจจัยทําให้เสี่ยงเราเยอะแล้วเขาไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับรเลยเลยเ้าจะทนยังไงแล้วโอกาสที่จะประพฤติผิดศีลง่ายมากเลยเพราวะว่าปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมแวบหายไปทั้งคู่ก็เรียบร้อยแล้วสภาพเราก็ชักไม่ค่อยไว้ใจกันแล้วทีนี้ก็มานั่งหวาดระแวงกันอ ย, ย่ถึงบอกในเราสร้างสภาพสังคมที่ระแวงกันไปหมดแล้ว เพราะสิ่งแวดล้อมมันเป็นแบบนี้ไงเมื่อสิ่งแวดล้อมอย่างนี้จะ ก, กันยังไงทุกวันนี้ขนาดนะเรามีลูกสักคนเนี่โอ้โหหนีไปแล้วต้องไปส่งยันโรงเรียนเะนี่ยใช่ไหมพอลูกพอแม่ถ้าพอไปส่งยันโรงเรียนพอกลับมาไปเสร็จพอตอนกลางวานันตอนอะไรมันหนีเที่ยวไปเรื่อยๆกลางวันก็ไปรับไอ่ตอนเย็นก็กลับไปรับนี่นะก็รั บ, ล, ล, บลูกไปกลับไปลูกไปกลับไปเยอะต่มาอา้าวท้องเต็มอย่างเงี้ยสภาพทั้งทั้งที่พ่อแม่ไปรับไปส่งเนี่ยนะ นี่เป็นอย่างนี้สภาพมันหน้าจนมันจะหวานระแวงกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี้ยก็เพราะอะไรเพราะสภาพสังคมมันเป็นแบบนี้ยังไงแล้วพ่อแม่จะป้องกันยังไงจะมีลูกสักคนหนึ่งทุกกันเนทั้งบ้านที่เป็นอย่างนี้ถึงบอกคอยให้คนดีเดือดร้อนด้วยไม่ใช่คนดีธรรมดาวั ด, ดวาลามก็เดือดร้อนเดี๋ยวเนี้ยสภาพวาดัดบางทีก็โห่ต้องปิดกันมิดชิดเลยพวกเข้ามาในวัดนี่เป็นแถวหม ด, ดตั้งแต่วดนะัดแต่น่าทำการแต่งตัวนะ่ะควหมดแล้วเดีวนี้ ใช่ไหมนี่มันเสียตรงนี้ยังไงนักเข้านักเข้าสภาพสังคมจะเป็นยังไงเดนเะนี้ยมันก็เริ่มจะฟรีสไตล์กันหมดแล้วมียุ่งเลยเดนะินี้ยนี่คือสภาพการขาดขาดขาดหลักปฏิบัติในพระศาสนาแล้วมันมันยุ่งตามมาก็ยังมาแก้ปลายเหตุกันอยู่นี่แหละให้ต้นเหตุมันมายังไงก็ไม่ย้ำไม่แก้ไนงะก็มาแก้ปลายเหตุแล้วแก้ไปสิเดินี้ไอ้พวกเราเรียนจิตวิทยาไปก็แก้ปัญหาไปตัวเองก็ปัญหายังไม่ก็ไปแก้คนมีปัญหาอีก เขาไปยังเต็มหัวคนอื่นเออตอนเองเนี่ยนะบอกเรียนหัวผหมืนเขาบนคนอื่นจะไปหาเขาให้เขาก็ขจัดเขาบนหัวซะตอนนี้นะมันหายคันแล้วก็ค่อยไปจัดการคนอื่นดีไหมก็ก็ทำแบบนี้ตรงนี้ก็คือคือเนี่ยคือคือสภาพที่เรามองบอกถามบอกว่าไอ้สภาพสังคมเลวร้วายไหมไอ้ที่มุมดีก็มีแต่ว่าสภาพมุมดีเนี่ยนานๆเราจะเจอตัวอย่างนช่ไหม สังเกตด้วทีในเรื่องดีๆเนี่ยนา น, า น, านจๆจะเจอข่าวว่าดทีก็ออกอาหาข่าวดีไม่ค่อยได้วันนี้เราไปซื้อ่งซื้อพิมพ์ดูพาดหน้าหนึ่งไม่มีข่าวดีทุกวันก็เป็นแบบนี้แล้วทุกคนก็จ้องทอนี้อัธยาสายกับ น, น้อมไม่ดีแล้วทีนี้เ๊มีข่าวอะไรรุนแรงรุนแรงไม่ให้ดูก็นี่จะเป็นอยนะ่างนี้นะพอดูเนึ่ยว่าไม่มีข่าวรุนแรงเลยไม่ดู รไปเลยแต่นี้สภาพสงอมก็เลยจะดูแต่ของที่หนักๆของที่รุนแรงรุนแรงเลยตอนนี้พอดูเขาเบื่อเลยไม่เอาต้องดูที่เภทรุนแรงรุนแรงตายเท่าไหร่เนี่ยแม่จะได้ตายน้อยไปหน่อยแล้ไปนี่ยุ่งเลยใช่ไหมก็จะเป็นอย่างเนี้ยก็ก็อย่างพวกเราก็ต้องเป็นหลักต่อไปมันจะเป็นหลักของบ้านของเมืองก็ตื่ต้องเขาก็ฝากเข้าไว้กันโดยไม่ก่อนเขาบอกนี่นะนักศึกษาเนี่ยต่อไปจะเป็นกําลังของชาติ ถ้ไมแข็งแรงจะเป็นกำลังได้ไเไก็เผือเป็นตัวทำลายกันมก็ยุ่งก็ต้องเข้าใจอ่ะากรับคุผาชีเลยครับส่งเพิ่มเรื่องเรื่องอนีแล้วก็แม่ัวที่ปรุงอาหารเ่เาทให้ เรามีติดรถล่าทายด้ครับทำให้เกิดโมรุ่งหลกับพวกเสดนตีอยอยงนีพวกเขามาอะรครับอะให้ฟังไม่ขน้นเลยคือขที่เรื่งประชาราารเล่าเรื่อที่บอกว่าเราเสะครมาเกิดให่าชอบทำเพลงบ๊องหอเป็นยงครับแล้วเรา่งงใช่ไหมครับใช่เลยแลาวคามก็คว่าอืม ดาราละลองทุกอย่างบาไมครัเพราะวาตอ้เารู้สึกรุ่งหลล้วก็ก่างทะอร่อยครับเากางยอ๋อเขาไม่บาปเลยเพราะเขาอยู่ตรงนี้อยู่ที่เจตนาเขาเขาเห็นว่าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วมาสมาทานศีลด้วยมาปฏิบัติด้วยมาเจริญกุศลสวดมนต์ไหว้พระด้วยถ้าเขาคิดเป็นเนี่ยเขาคิดปลารบที่ว่าเออเขาาได้ดูแล ได้ดูแลได้ให้ทานได้ถวายทานแก่บุคคลผู้ผู้ปฏิบัติฉะนั้นเขาเขาต่างหากที่ควรจะได้บุญเยอะทีนี้เขาก็มาคิดยังไงก็เขาเริ่มน้ำเหลียว่าอาหารอะไรหนอที่จะเป็นปัจจัยทําให้เขาให้ผู้ปฏิบัติทานไปแล้วสปายะสปายะในที่นดดั่นคือสะดวกที่จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติ พอเขาคิดดำรี่ในลักษณะอย่างเนี้ยเพราะเขายิ่งทำที่ดีอาหารยิ่งประณีตอาหารยิ่งมีรสเลิศ ก, ก็เชื่อเขาบูชาเลยจริงๆก็บูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระรีศุลธรรมไม่เขาต้องทำเพราะเขาเห็นว่าบุคคลปฏิบัติในพระธรรมของพระผูะ้มีพภาคย่าเขาก็ต้องการจะนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นด้วยทีนี้คนที่ไปกินอาหารเนี่ย ใช่ไหมเขาถึงบอกว่าถ้ากินแบบคนไม่มีศีลถ้ากินแบบไม่มีศีลเนี่ยเขาเรียกว่ากินแบบขโมยเหมือนขโมยคือไม่มีส่วนเลยเขาต้องการเขาต้องการจาะถวายแก่ บ, บุคคลที่มีศีลใช่ไหมแต่เราเป็นผู้ทุศีลไม่มีศีลเลยในกระแสของชีวิตเหมือนพระเนี่ยนะ เหมือนพระเนี่ยถ้าพระไม่มีศีลก็ไม่มีไม่มีสิทธิ์ในในอามิ t h ที่พระพุทธพระพุทธพระทองค์ทรงบัญญัติไว้ทรงอนุญาตไว้เพราะมันเหมือนว่าไม่เช่นไม่ใช่สมณนะปฏิญญาณตัวเองว่าเป็นสมณนะไม่ใช่พิกสุปฏิญญาตัวเองว่าเป็นภิกษุ อย่างเราก็คืออยู่ในฐานะว่าไม่ใช่เป็นอุบาสกที่มีศีลไม่ใช่เป็นอุบาสิกาที่มีศีลแต่เป็นปฏิญญาณตนเองว่าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาที่มีศีลสมาทานศีลแต่สักว่าสมาทานเฉยๆแต่ว่าในกระแสใจบอกไม่หรอกเราสักแต่ว่าพูดๆไปอย่างนั้นแหละเพราะมันเป็นโครงการนี่เมื่อไม่มาก็ไม่ได้เมื่อมาแล้วมันมันได้นีได้หลายอย่างได้คะแนนได้แล้วก็ว่ากันไปสมมุติอาจจะไม่เป็นอย่างนั้น ใช่ไดพอได้จริงเ่พราเราไปตั้งจิตไว้ผิดเราก็เลยมาศักแต่ว่าศักแต่ว่าทำไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจไม่ได้ทาด้วยศรัทธาไม่ได้ทำด้วยความมุ่งมั่นอันนี้ก็คือไม่มีศีลทีนี้ไม่มีศีลอาหารการบริโภคทั้งหลายบุคคลที่เขาทำเขาตั้งใจเนี่ยเขาบูชาบุคคลผู้มีศีลเพราะว่าทานที่ให้กับผู้มีศีลมีผลมากมีอานิสงส์มากเขาต้องการอานิานสงส์ต้องการผล เพาเขาไม่ต้องการผลไม่ต้องการมิสงเขาก็ให้หมดให้แมลงให้ปลาซึ่งมีเขาไม่ได้มีศีลอะไรใช่ไหมเขาก็ได้บุญตามปกติของเขาอยู่แล้วแต่เขาต้องการบุญมากกว่า น, นั้นเขาก็เลยให้กับบุคคลที่มีศีลมีธรรมมีศีลมีกัลยาณธรรมพอเขาดำริอย่างนี้เบียเ็จเขาก็ทำอาหารลดเลิกแล้วก็คํานวณ ว, ว่าเออเนี่ยเด็กขนาดเนี้ยหรือว่าพวกเราเป็นนักศึษาอายุขนาดเนี้ยนะอายุย0่สิบปีเป็นต้นอย่างเงี้ยเอเนี่ยอาหารจะประเทศไหนที่จะ ที่จะเหมาะสมเขาก็เข้าใจเขา้าชำนาญเขาก็ทําแบบเสร็จอันนั้นคือหน้าที่เองขาจบแล้วก็ทําแบบประณีทําแบบรถเลิศทําแบบอ ร, อร่อยก็ว่าไปผู้บริโภคตอนนี้ต้องใครครวรแล้วมีศีลไหมถ้าไม่มีศีลมันก็อยู่ในฐานะอันแรกเป็นแบบขมโมยใช่ไหมเป็นขมโมยเขาเรียกบริโภคเหมือนเหมือนคนขมโมยทีนี้ประการต่อมามีศีลและ ไม่พัฒนาวิธีวิจัยวิธีคิดก็มาติดขั้นที่สองขั้นที่สองก็คือว่าบริโภคแบบไม่ได้พิจารณาไม่มีปัจจวิเคณะปัจจวิเคนะนั่นเป็นชื่อของการพิจารณาปัจจัยพิจารณาอาหารก่อนการบริโภคถ้าหากว่าเป็นเนื้อก็ปารบเป็นเนื้อบุรเป็นต้นดังกลาง่าวแต่ถ้ า, าเป็นผักหรือเป็นมังสวิรัตเป็นอาหารเจ ก็พิจารณาบอกว่าจักไม่กินด้วยอำ น, นาจของตัณหาราคะเพราะถ้ากินด้วยอำ น, นาจของตัณหากินด้วยอำ น, นาจของราคาความยินดีความเพลิดเพลินความกําหนัดความลุ่มหลงความมัวเมาถ้าไปกินไปในลักษณะอย่างนั้นแปลว่าทําให้ทานของผู้ให้หรือของคนที่เขาจัดโครงการที่เขาตั้งใจบุญเนี่ยทาให้กุศลทานของเขาคญเสียไป ทานเขาแทนที่จะได้ระดับสูงๆจะมีผลมากอันนี้สมมากมันก็ดอกมันก็ต่ำไปนั่นประการหนึ่งได้ประการหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอินน้าบริโภคบริโภคแบบด้วยความเป็่นหนี้เพราะไม่ได้พิจารณาไม่้พิจารณาว่าอาหารถึงแม้จะเป็นผักหรือเป็นเนื้อพุทธ迦มาองไม่ได้สอนว่าเป็นกลิ่นดิบไม่ใช่เป็นกลิ่นคาวแต่ราคะที่เกิดในใจเราเนี่ยมันกลิ่นคาวมันมีกลิ่น โทสะคือความโกรธที่เกิดใ น, ใ จ, น, น, น, น, ใ, นดใจเป็นกลิ่นคาวโมหะคือความรุ่มหลงที่เกิดในกระแสใจเป็นกลิ่นคาวมานะเยื่ อ, อยิง่งถือตัวเป็นกลิ่นคาวทิฏฐิคือความเห็นผิดก็เป็นกลิ่นคาวนั้นกลิ่นคาวต่างๆที่มันกุ้มรุมในกระแสชีวิตเราเนี่ยกลิ่นตรงนี้เราต่างหากที่เราจะต้องละพอดําริว่าคิดอย่างนี้เบียเศปปัญญาก็าเข้าไปวิจัยก็ถ่ายถอนกลิ่นคาวต่างๆก็บริโภคแบบไม่เป็นหนี้ คือพิจารณาแต่ละคมต่างๆเป็นไปตามลําดับท่านถึงบอกว่าถ้าตอนกินลืมบริโภคหลังหยัดนั้นต้องบริโภคก่อนตะวันก่อนตะวันขึ้นอะถ้าภายหลังอรุณขึ้นมาแล้วลืมบริโภคเลยเนี่ยวันนั้นทั้งวันเขาเรียกวบริโภคใช้สอยสิ่งของด้วยความเป็นหนี้เป็นหนี้ก็คือว่าจะต้องไปชดใช้จะต้องไปชดใช้ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจอยู่ยาวนานไม่สามารถจะออก จ, าจายาวชนได้ก็ติดกองขังอยู่เนี่ยพุทธิย่อเป็นคุก ตาหูจมุกลิ้นกายใจเป็นคุกมีอยู่สูตรหนึ่งนะว่าไปเห็นนักโทษเขาถูกล่ามโซ่ถูกทุบถูกตีพากลับมาก็ไปกราบทูลถามว่าป ร, รมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผจะเลิบบอกหน้ า, ารุณามากคนติดคุกต้องถูกโซ่ล่ามมัดติดกันไว้แล้วก็ถูกทรมานด้วยอาการต่างๆาาข้าพระองค์เห็นกันแล้วแล้วรุณาสงสาร พุทธเจ้มาดูก่อนวีู่ตรทั้งหลายอันนั้นไม่ใช่คุกอันนั้นไม่ใช่คุกท้าวลนอันนั้นเป็นเพียงสมมุติแต่คุกจริงๆของสัตว์นั้นคือสังสารวัตคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เธอออกไม่ได้ตายแล้วตายพอตายแล้วเราก็ทิ้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไปปฏิสนธิในคันของแม่ต่างๆอย่งนีงแล้วแต่ แ, แม่ประเภทไหนเนี่ยพอจเจริญเติบโตมาก็มาแบกตาหูจมูกลิ้นกายใจอีก ต้องมาคอยดูแลตาหูจมูกเล่นกายใจอีกแล้วก็ทิ้งตาหูจมูกเล่นกายใจในขณะจุดติดขนาอ ต, ตายแล้วก็แบกตาหูจมูกเล่นกายใจในขณะเกิดแล้วก็บริหารกันไปอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คบอันนี้เธอทั้งหลายยังออกไม่ได้เพราะกินคาวคือกิเลสมันมีนอยู่ในกระแสะชีวิตของเธออยู่ถ้าเธอใช้ปัญญาใช้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเข้าไปกําจัดไอ้กินคาวคือกิเลสให้หมดสิ้นจากขันแะสันดาลแล้วเธอจะพ้นจากตาหูจมูกเล่นกายใจเห็นไหม สรุปแล้วตอนเนี้ท่านบอกไม่พิจารณาเป็นอินนรบริโภคทีนี้ถ้าพิจารณาเป็นทายาทชาบริโภคก็เรียกเป็นทายาอย่างเงี้เป็นทายาทเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาที่ดีอย่างนี้เป็นต้นเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาใ น, นที่ดีและชื่อว่าเป็นผู้มีศีลด้วยแก็มีปัญญาด้วยพิจารณาถามว่าพิจารณากับไม่พิจารณาการกินอาหารไห น, น, นมีประโยชน์วเลยฮะอันไหนมีประโยชน์เลย เอาถ้าพิจารณากินอาหารก็ไม่พิจารณากินส่งเด็ดนี่อันไหนอันไหนมีประโยชน์กันอันไหนมีประโยชน์พิจารณาใช่ไหมพิจารณาอันนี้อร่อยก็กินอันนี้ไม่อร่อยก็ไม่กินอันนี้ได้เปล่าได้ไหมมันก็ได้ทุกทีใช่ไหมแต่ไม่พิจารณาอย่างนั้นพิจารณาว่าพิจารณาโอ้นี้ไม่อร่อยเอาเองเราไปอันนี้อร่อยออกมานี่มีหมดเลยไม่อพิจารณา เขพิจรารณาล้วเสนอว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นทาสเลี้ยงอาตภาพพยานาคเราเนี่ยมีสัตว์ที่เปะอยู่ในปกครองดูแลเยอะไหมในกระแสของชีขันเนี่ยในกระแสของร่างกายเนี่ยมีสัตว์เยอะเลยใช่ไหมบางคนก็มีพยาธ ต, ตัวตื่นเยอะบางคนก็พยาธไส้เดือนเยอะบางคนก็พยาธเส้นได้ก็เยอะใช่ไหมบางคนก็พยาธปากขอก็เยอะเยอะเหมือน บางคนนี very dark, very said, ่ยหนักไหมพญาต์ใดไม้โอ so yeah, ้ยใช่ไหมเยอะแยะไปหมดงั้นก็กลับไปก็บอกเพื่อนบอกเพื่อนเราขอเยอะๆหน่อยเราต้องรับผิดชอบเยอะได้มันถามทำไมบอกเม้เราต้องเลี้ยงเยอะเิืนียๆ้าไม่เลี้ยงมันก็รบกวนทุกเวลาดึกงๆที่ปลูกมันมันปกก็มาเสียงท้องมันร้องมันแท้จริงตัวกลุ่มสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในท้อง มันเริ่มเล่นไงบางคนต้องค้านออกจากมุ้งมาทั้งทั้งที่ง่วงเลต้องมาคนลำบากยังก็ยังคิดว่าดีมีความสุขมันอยู่นชีวิตไม่สุขเลยไม่สุขเลยถามว่ากินแล้วต้องไปถ่ายออกไหยต้องไปถ่ายออกตอนกินก็สนุกสนานกันไหมพอตอนไปถ่ายออกต่างคนต่างไปไหมต่างคนต่างไปเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ ถึงบอกว่าเราเราเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องชำระตลอดกระแสของร่างกายสภาพของร่างกายไม่ได้งามอะไรหรอกแต่เราไปสัาคัญกั า, งงาลองดูดิเนี่ยเราไม่แต่งแต่งตัวเจ็ดวันใส่ผ้าชุดเดียวนะไม่อาบฟันไแปรงไม่ถูนเนี่เจ็ดวันนระหว่างเรากับพวกขอทานไม่ต่างกันเลย ไม่ต่างกันเลยหน้ากิริย์เหมือนกันหมดไอที่ดวงงามๆในฟันขาวๆนี่กลายเป็นดําเครืองมาเลยแล้วจับเป็นก้อนเลยนะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นขนาดทําความสะอาดอย่างนี้ทุกวันมึงได้แค่นี้ใช่ไหมถ้าไม่ทําเลยเราคิดดูแล้วนั่งใกล้กันไม่ได้เลยนั่งใกล้กันไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนี้คือสภาพของความจริงถ้าเรารู้จักความจริงตรงนี้เสียเนี่ยมันมันจะได้รู้ว่าจะได้ไม่ไม่มัวเสียเวลามัวเมากับมันใช่ไหม บางคนก็หมุนอยู่หน้ากระจกในวันๆไม่มใช่ไหมหมุนอยู่ทึ่งๆมันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะรีบทํากิจของตนเองเบ็ดเสร็จแล้วพี่ไปรื้เจริญกุศลเสียดีไหมอย่างเงี้ยถ้าคิดเป็นซะแล้วมันก็ไม่ติดกับมันเงี้ยไม่ไปต้องติดอะไรกับมันมากก็ไม่ต้องเป็นนักเกิดมาเป็นธาตเลยเหนึ่งร่างกายเพราะจริงๆในสื่อจริงๆก็แตกต่องแต่ว่าสิ่งที่เป็นกุศลที่สิ่งที่เป็นความดีที่เราจะต้องเล่งรีดกลั นั้นต่อไปก็หนึ่งเรื่องการกินอาหารคงคงคิดเป็นแล้วใช่ไหมตอนนี้นะคิดเป็นแล้วก็ต่อไปก็จะอยู่ที่นี่หรือไปหน้าที่ไหนก็เริ่มวิจัยไปแลยเริ่มจะไม่รุ่มหลงไม่มัวเม้าต่อไปเรื่องการใช้ใช้สิ่งของใช้เสื้อผ้าไอ้ตรงเนี้แปชั่นเยอะแยะไปเลยบางคนมีเท้าอยู่สองเท้าแต่มีรองเท้าเป็นร้อยคู่ <c oughs> โอ้โหน่าลำบากมาก ใช่ไหมเนี่ยแค่เท้าสองเท้าใส่ใส่ทีละคู่หรือใส่ทีละสิบคู่ใส่ทีละคู่เสื้อผ้าเดี๋ยบางคนนี่นะบางคนมีโอ้โหสามสิบสี่สิบตัวใส่ทีละกี่ตัวทีละห้าทีละสิบหรือเปล่าใส่ทีละตัวนั่นแหละแค่นั้นเอ ง, งเลลมีอะไรหรอกบางคนใส่สักครั้งเดียวก็ทิ้งไปดูในร้านอุสวยใช่ไหมพอมาใส่ เ, เสร็จเสร็จสักพักหนึ่งเนี้ยชักไม่สวยแล้วไปดูในร้านสวยอีกแล้วอยู่เนี่ยมันก็ มันก็เปลี่ยนให้มันไปอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นก็ต้องบอกว่าที่สุดจริงๆเนี่ยเพื่อปอกปิดความละอายแค่นั้นเองไม่มีอะไรแค่จะปกปิดเพื่อไม่ให้เกิดความละอายเท่านั้นเองมันจะไม่ได้อุจจาใช่ไหมถ้ามันไม่ปิดเลยเนี่ยโอ้โหแล้วยังก็ป้องกันแหละป้องกันความหนาวก็ได้แดดก็ได้ป้องกันเหลือดก็ได้ป้องกรรันยุงก็ได้ป้องกันสัตว์ต่างๆที่จะมาเบียดเบียนเราเปาน็นต้นอะไใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันก็วิจัยได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยหลักการเรื่องหลักการเนี่ยเหมือนที่อยู่เนี่ย จะแต่งให้รู้ขนาดไหนที่สุดจริงก็แค่ให้หลับใช่ไหมแค่นอนได้หลับแค่นั้นเองที่แค่นี้ก็หลับได้เขาให้หลับเะแต่ถ้าหากค่าสร้งซานเนี่ยนะที่โอโถงขนาดไหนนอนหลับไหมไม่หลับเราพลิกไปก็พลิกมาเครียดอยู่นั่นแหละโรคประสาทก็กินด้วยประเด็นมันอยู่ที่ง่วงที่ไป น, นอนมันหลับได้แค่นั้นเองแค่นั้นใช้ได้แล้วไม่ต้องไปกังวลเลยมันมากใช่ไหมก็วิจัยให้มันเป็นแค่นี้มันก็ขาดแล้วชีวิตเนยไม่จําเป็นจะต้องกงวลโอ้โว สีนี่ไม่ชอบใจต้องเปลี่ยนสีแล้วกเยอะๆไปกันใหญ่เลด้วยเอาที่มันทนและเอาที่มันดูไม่น่าเกลียดแล้วก็สะอาดเลยเที่อยู่กำลังหมมยารักษาโรคอาหารการบริโรคไม่มีอะไรอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งเป็นปัจจัยที่จะต้องดูแลเพื่อทําให้สุขภาพมันแข็งแรงเพื่อจะเจริญบุญสมแค่นั้นเองใช่ไหม หลักตรงนี้ก็เรียกว่านี้ไงหลักของชาวพุธเนี่ยมันชัดเจนอย่างเนี้ยมันก็จะไม่อยู่ด้วยความกําหนัดใช่ไหมกำหนัดเป็นชื่อของโลภะแล้วจะไม่อยู่ด้วยความขัดเคืองคือโทสะและจะไม่อยู่ด้วยความรุ่มหลงสามตัวเนี่ยเราก็ท่องเขา้าไว้เสพสิ่งไหนกําหนัดขัดเคืองรุ่มหลงก็ไม่เสพไม่เสพแปลว่าไม่เสพจิตแบบนั้นไม่เสพจิตแบบนั้น ถ้ามันจะต้องได้ได้ที่อยู่ดีๆก็ไม่ยึดติดตรงนั้นถ้าจะยึดที่อยู่ที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ร่วมหลงอย่างนี้เป็นตนน้นนะฮ ะ, ะ, อ, ะอะไรอ๋อกาหนัดกําหนัดนี่เป็นชื่อของโลภะเป็นชื่อของราคะเป็นซึ้งความยินดีความเพลิดเพลินก็จะกำหนัด ถ้าขัดเคืองนะเป็นชื่อของโทสะเป็นชื่อของพยาบาทเป็นชื่อของความโกรธเป็นชื่อของความผูกกงล่ลมหลงเป็นชื่อของโมหะเป็นชื่อของโมหะนี่นะที่จริงมันมีอยู่สองตัวไอ้ตัววิจิกิจฉากับตัวอุททัจจะสองตัวนี่ในชั้นของคำสอนก็เรียกว่าโมมูหะจิตคำว่าโมาโมหาเนี่ยเขาแปลว่าจิตที่หลงอย่างมากจิตที่หลงอย่างเหลือเกิน จิตที่หลงอย่างยิ่งเพราะเป็นวิเศษโมมัวจิตเนี่ยหลงอย่างมากหลงอย่างเหลือเกินหลงอย่างยิ่งหลงจนหลงจนกูไม่ค่อยกลับอ่ะอันนี้ถ้าโมมัวจิตเนี่ยจิตสองตัวเนี่ยถ้าเกิดในกระแสจิตของใครโอ้โหหลงหลงจริงๆเคยเขียนประเภทที่หลงอย่างมากไหจิตที่หลงอย่างมากหลงอย่างเหลือเกินหลงอย่างยิ่งเช่น เธอก็บอกว่าทําไมไม่รักษาศีลไม่เอาเขาไม่เอาเลยเขาถือว่าอีอย่างที่เขาคิดเนี่ยมันถูกแล้วใครไปธิบายยังไงก็ไม่เอาก็ถือว่าเป็นสุดยอดชีวิตของเขาที่เขาจะไปอย่างนั้นเท่านี้มันหลงมากหลงเหลือเกินหลงอย่างยิ่งไปแล้วดึงไม่กลับแล้วไปชวนเขาเผลอๆก็จะชวนเราไม่ยงเงี้ยมีเสียเลยต้องรีบหนีคนเดียอย่าไปสงสารเขานกรุณาเขาแล้นเนีนะเอาอ่ะ ต้องใจมาแล้วเรื่องค่ะเรื่องว่าทำไมถือศีลแล้วต้องใส่ชุดขาวด้วอันนี้จริงๆแม่ชีก็ไม่จะตอบเรอแต่ว่าคืออย่างนี้มันต้องสงสัยกรทบถึงพระด้วยจะไหมไห ม, มันต้องถึงพระด้วยมาเลยเมื่อคิดพวบขึ้นมานี่ไม่ใช่ใช่ไหแม่ชีแล้วก็กรบถึงพระด้วยจะือศีลไม่ต้องมาห่มแบบนี้ด้วย คืออย่างนี้ในคําสอนของพระบรมศาสดาแต่ก็ใ้อยู่ว่าเทพบุตรบัดนี้เรามีเพศต่างจากเทือหัดแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราควรทําอาการกิริยาดังนั enfin ้นใช่ไหมก็แปลว่าตอนเนี้ยเครื่อนนุ่งห่มของเราก็ไม่เหมือนคาราวาศีสาวของเราก็ไม่เหมือนกับคาราวา ใช่ไการปองผมปองหนวดและเล็บเป็นต้นเหล่านี้ยแล้วก็อาชีพการเป็นอยู่ของเราก็ไม่เหมือนกับละวาดแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องอันนี้เป็นแบบเป็นฟอร์มที่พระบรมศ า, ศาสดาทรงทรงบัญญัติไว้อ่าเป็นเป็นเป็นรูปแบบที่พระองค์เนี่ยถ้าถามบอกว่าเครื่องแบบเนี้ยเป็นเครื่องแบบที่อมตะใช่มสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้ว ไม่มีไม่มีชุดอะไรที่จะมีถาวรเท่านี้แต่ไม่ยอมลง ก, กินเน็ตบุกไม่ยอมลงที่จริงมันต้องลงใช่ไหมใช่เพราะมันเป็นฟอร์มเดียวชุดเดียวเท่านั้นแหละที่มันมีคู่อายุที่เกิน 2,000 ันกว่าปีนะใช่แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าความยืนยาวของของของภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทก็ขาดการไปเนี่ยนะแล้วก็อุบาสบริษัทและอุบาสิกาบริษัทเนี่ยถือว่ายาวนานที่สุด บริษัท4ี่ของพระองค์เนี่ยถือว่ายาวนานมากสองพันกว่าปีเนี่ยไม่มีบริษัทใดนะที่ตั้งได้ได้ยาวนานขนาดนี้แต่พุทธบริษัทของพระบรมศาสดาที่ตั้งไว้เนี่ยจะมีอายุถึง 5,000 ปีอันนี้ต้องถือว่าเป็นหลักที่ยาวนานาน่าภูมิใจทีนี้แบบต่างๆเนี่ยที่พระ อ, องค์ทรงบรัญญัติไว้มีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมพระบรมศาสดาก็าประทับอยู่บนภูเขาคิ้จกูด ก็ชี้ให้พระนรินดูคันนาของชาวมคตไอคันนาเนี่ยของชาวมคตเนี่ยบางบางกระทงก็ใหญ่ใช่ไหมบางกระทงก็เล็กตรงเนี้ยบางกระทงก็ใหญ่เพระบรมศาสดาก็เลยให้พระ น, นอนเนี่ยดูดูเสร็จก็ออกแบบสมัยก่อนเนี่ยที่วัจะถูกลักถูกขโมยเยอะชาวบ้านมักจะมันขาดแคลนเรื่องผ้ากันเนี่ยก็เกิดการลักการขโมยเบสเซ็จ การต่อมาพราะบรมศาสดาก็เลยให้พระน น, นไปดูแบบของของนาเนี่ยของชาวกแฟนมคธพอไปดูแบเสร็จพระนร น, นก็ออกแบบเลยพระนนเป็นนักออกแบบนี่ออกแบบเลยว่าให้ตัดให้มีการตัดเห็นไหมเขาเรียกว่าให้สังเกตตัวที่ว่านาผื้นเล็กมันจะมีลักษณะว่ากาับนาผื้นใหญ่เนี่ยเป็นกรณีที่กระทงเล็กกระทงใหญ่เนี่ยพระนรินก็เอามาต่อมาเชื่อมกันแล้วให้ตัดตามนั้น ไอ้ส่วนไอ้ส่วนที่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกคันนาเป็นคันนาขวางคันนายาวต่างๆเลยเนี่ยก็มาตัวกั้นเลยอย่างนี้เขาเรียกอาจจะเรียกฝุดสิเออเรียกไอเรียกเกี่ยวในเรื่องของอัฐมลทอนอะไรต่างก็ได้แต่เนี่ยที่ภาษาทรรมชาติเนี่ยฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้ก็เลยออกแบบเพราะออกแบบอย่างนี้ก็มีการตัดทุกชิ้นพอตัดทุกชิ้นแบบเสร็จก็มาเชื่อมต่อกันต่อกันต่อกัน ที่สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่กล้ารักผ้าแบบนี้เขาบ อ, อกถือเป็นกาลกินีผ้าที่ตัดแบบนี้ทุกคนเลยไม่สนใจเลยนี่นะเขาถือเป็นกาลกินีผ้าก็เลยสบายเลยเอาไปตากไว้ที่ไหนก็ไม่โดนรั ก, กไม่โดนขโมยก็เลยเป็นพุทธบัญญัติมาตั้งแต่บัด น, นั้นเป็นต้นมายอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมแบบฟอร์มในราศนัยนี้ต้องการให้รู้ว่าเรามีเพศต่างอย่างพวกเราเห็นไหแล้วมันจะเป็นส ม, มาณะสัญญาสามัญสํานึกว่าเราไม่ใช่ ฆราวาสแล้วเม่ชีใส่ชุดขาวท่านก็ต้องการมีอะไรต้องมีสัญญาในความเป็นเม่ชีว่าไม่ใช่ฆราวาสเป็นประเภทนักบวชประเภทที่จะต้องออกมาเพื่อทําการถ่านเก่าว่านั่นเพราะถ้าหากว่าดูพี่ดูเพศ ด, ด, ดูชุดดูฟอ้องตัวเองแล้วจะเกิดสํานึกว่า เ, เราจะไปมัวหลงระเลยอย่างกลุ่ม อุบาสิกาทั่วไปไม่ได้แล้วเห็นไหมมันก็เลยเป็นหลักตัวนี้ฉุดคิดขึ้นมาฉุดคิดขึ้นมาก็เหมือนพวกเราเป็นนักศึกษาทําไมต้องมีฟอร์มนักศึกษาใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นหลักคิดว่านี่เรานักศึกษานะเรานักศึกษานะแต่ไม่ใช่ใส่ทิศทีผิดเข้าไปนะใส่ความเห็นที่ถูกลงไปว่าเป็นนักศึกษาต้องมีจรรยาบันต้องมีมรร ญ, ญา ต, ต้องมีอุดมการ์ ต้องมีเป้าหมายของชีวิตไม่จะคิดสเปซสปะอะไรก็แล้วแต่ น, นั่นคือหลักอันนั้นก็ไปจากพระพุทธเจ้านั่นเอ ง, เองไปจากพระพุทธเจ้าที่สมบัติอันนี้พอจะชัดเจนนะว่าเป็นหลักในการขัดกลัานะมุ่งเน้นเพื่อเป็นปัจจัยในการขัดกลากว่าทุกคนที่เข้ามาสู่ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาศีกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาไดเข้าถึางความจริง ก็เป้าหมายก็เพื่อต้องการคนดุไม่มีใครอยากจมอยู่อย่างปกคองทุกคนทุกคนอยากจะออกจากความทุกข์เพราะความทุกข์มันเป็นความเจ็บปวดของกระแสในชีวิตใช่ไหมทุกความเกิดแก่เจ็บตายโศกลำไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจ ค, ความคับแค้นใดเพราะพระพศ า, าสดาก็บอกว่าเราถูกความทุกข์อย่างลงแล้วใช่ไหมเรามีความทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าแล้ว คนที่เข้ามาไหาก็ต้องมานาสการ์แบบทําช่นไหนถึงจะทําที่สุดแห่งความทุกข์ได้จะ ท, ทำยังไงเราจึงจะบรรลุมากผลได้บางท่านต้องคิดทุกวันนะฮะอย่างพระเนี่ยต้องคิดตลอดว่าเราต้องควรดูให้ถ้าคนชาตินี้ได้ต้องคนเห็นท่านก็ต้องรีบเปล่งกระทาความเพียรนั่นอย่างนี้ก็ต้องเล่งด้วยการที่ดิ้นรนจะมัวประมาทไปได้ เราเรามาประกาศสนญลักษณ์นี้แปลว่าเราพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับมันเผชิญกับกิเลสสมา ร, รเผชิญกับขันธ์มา ร, รเผชิญกับมัจคยมานเทวคตมารอภิสังขารมารแล้วก็เพื่อพร้อมจ ะ, ะเผชิญกับกิเลสแล้จะต้องการยรักกกิเลสใช่ไหมไม่ไม่ไม่ยอดพออันนี้เขาเรียกประกาศชัดเจนในฐานะเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเวนุบาลสกแลเป็นเบาร์สิบสอย่างเราเนี่ยยอมรับมาเข้าสู่เป็นบริษัทของพระเจ้าเนี่ย แต่ก่อนเราอาจจะมาตามประเพณีแต่พอ ร, รู้คําสอนเสร็จเสร็เริ่มมีเป้าหมายใช่ไหมเริ่มมีเป้าหมายเริ่มมีอุดมการณ์แล้วเริ่มชัดเจนแล้วไม่ใช่ว่าเป็นไม่มีอุดมการณ์หรือไม่ใช่มีหลักไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แบบเลอยๆนี่คำว่าอุบาสกอุบาสิกาเขาแปลผู้ที่เข้าไป น, นั่งใกล้พระรัตนตรยัยใช่ไหมแปลว่านั่งใกล้คําว่านั่งใกล้พระรัตนตรัยเนี่ย ใกล้ด้วยใจใจเรานั้นน่ะมีพระรัตนตรัยเป็นไปในเบื้องหน้าคาว่าเป็นไปในเบื้องหน้าโดยก็หมายความว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะค้จะเหยียดจะก้มจงเงยเราเรามีสารณะเรามีเครื่องกำจัดภัยเรามีที่พึ่งเราไม่ใช่คนอนาถ า, าเรามีสารณะแล้วเรามีที่พึ่งแล้วแต่ก่อนเราไม่มีที่พึ่งเราไม่มีหลักใจเราไม่มีสารณะ แต่ก่อนเรานับถืออะไรมาทั่วเลยศาสนาที่ไม่กระแสไม่สูงสุดเนี่ยแต่ต่อมาเราได้ศาสนาอันประเสริฐได้ศาสนาอันประนีศาสนาใสัาสนานี้แล้วเราจะพ้นจากวัฏฏุทุกข์ได้เพราะเราเชื่อมัน่นไม่ใช่มาเชื่อเฉยๆเพราะเรามีปัญญาพอมาศึกษาคําสอนอีใช่นี่อันนี้จะนําสู่ความพ้นทุกข์ได้แล้วจะทําให้กระแสชีวิตของเราเนี่ยไม่ตกต่ําทีนี้เขาเรียกว่ามันเกิดความมั่นใจก็เหมือนในสเรกธรรมที่เราสอน เห็นไหมมันเป็นอุดมการณ์ที่ทรงตั้งไว้เพื่อให้สาวกนั้นไม่ยอมทอถอยตัวกิเลสเขาเรียกว่าสัตวเลกาธรรมธรรมที่เป็นปัจจัยในการถัดเกล้าสี่สิบสประการคนเราอื่นเนี่ยยังเบียดเบียนกันอยู่ในที่ในข้อนี้เราจักไม่เบียดเบียนและอย่างนี้เป็นต้นเห่นไหมคนเราอื่นเขายังทําปานนารีบาตแต่เราจะงดเว้นจากปานนารีบาตคนเราอื่นเขายังประพฤติอาินาทานรักทรัพย์กันอยู่เลยแต่เราจะงดเว้นเราจะไม่รักทรัพย์ชนเราอื่นก็ยังประพฤติผิด ใช่ไหเศรษฐีทุนทำกันอยู่เลยแต่เราจะประพฤติพอ ม, มาจันย์นี้เป็นตัวเนี้ยไหมเนี่ยชัเราอื่นเขาพูดสาวาทนะ่ยเาพูดเทนะ็จน่ยชัเราอื่นพูดส่อเสียดนะ่ยชัเราอื่นก็พูดเพ้อเจ้อชัเราอื่นก็พูดคําหยาบแต่เราจะงดเว้นจากพูดเท็จส่อเสียดทำหยาบแล้วเพ้อเจ้อเห็นไหมอันนี้คือคือเป็นการตั้งบรรณิทานในใจแล้วต้องตั้งบ่อยๆไหมตั้งตลอดให้การตั้งตลอดทํางานในที่สุดเราก็จะออกจากบาปจะ แต่ถ้าไม่ตั้งชีวิตเราจะปล่อยไหมปล่อยเหมือนอะไรดีลูกน้ําเตาลอยจะทําไม่มั่นคงเขาบอกว่าสติจะเป็นธรรมชาติเหมือนกับหินเหมือนกับแผ่นหินเนะ่ยทิ้งลงน้ําตุ่มจมไหมดิ่งไม่ลอยเหมือนลูกน้ำเตาลักษณะสติเป็นแบบนั้นแหละระลึกมั่นในอารมณ์ยึดยินกุศลที่เป็นความดีแล้วไม่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยกุศลสติจะอยู่กับกุศล ใช่ไหมไ ม, ไม่ทิ้งถ้าหาคนขาดสติหรือมุทัศสติมันจะลอยเหมือนลูกน้ําเต้านี่เนี้ยธรรมชาติเขาสติอ่ะตัวเขาเองก็ระลึกมั่นด้วยนอายล์นั้นปรทําสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกับตัวนี้ระลึกมั่นเลยและอย่างนึ้เนะี้ยตัวสตินี่นะระลึกในอารมณ์ใช่ไหมแล้วก็ไม่ทําให้อารมณ์นั้นลอยไปจากลอยลอยหลุดจากใจเช่นไม่ทําให้พุทธคุณลอยจากใจคนที่มีสติคือพุทธานุสติเนี่ย คือตัวพุทธคุณก่าวคือคุณของพระเจ้าเนี่ยนะเพรอจะลอยออกจากจิตเนี่ยถ้าคนมีสติปุ๊บก็ล็อกล็อกคุณของพระเจ้าไว้ในใจใช่ไหมมันล็อกเป้าหมายเขไว้เลยอ่ะบอกว่าไม่ได้ไม่ให้ลมนั้นหลุดไปจากใจแต่ถ้าถามอยู่ใจของเราที่วันหนึ่งจะไม่คิดถึงพระเจ้าใช่ไหมมีปัญหาเราคิดถึงใครเดินมาคิดถึงเพื่อนท้อ มันนีเราทุกใจมากใช่ไหมปรึกษาเพื่อนในเพื่อนก็นไม่รู้พวกเราก็ทุกไปแล้วเดี๋ยนี้ถ้ามีปัญหาก็าปรึกษาพระเจ้ามีปัญหาก็เอาสูตรที่มีท่าาองเราจะไม่เบียดเบียนใช่ไหมคนเราอื่นเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนคนเราอื่นฆ่าสัตว์เราจะไม่ฆ่าสัตว์คนเราอื่นลักทรัพย์เราจะไม่ลักทรัพย์คนเราอื่นประพฤติผิดในกรรมเราจะไม่รรรไมรรรประพฤติผิดในกร ร, เราากมรรเห็นไหม มันก็จะเป็นไปรักษณยเลยค่ะเรียนหาข้ราชกทัเรียนหาทั้งทั้งล่าสู่คำนะคะไปดึงได้ดั้งรถต่อแถวมาก็มีโค้ชและทางพิชว่าพิชว่าเลิกคุยทำหน้าทำใจด้วยนะคะเขาก็รียนหาพิว่าพิว่าบอกว่าคนที่ตึงเจ้าของโรงงานสุราเนี่ยชว่าถ้าทําทำเนี่ยเขาจะได้ดึงไห เขาบอกว่าการที่ได้ชี้เลียนมานะคะถ้าเขาน่ก่อนให้เขาก็ตั้งใจเล้าจะให้ก็เป็นบุญขณะที่ให้เขาได้ที่อะไรก็เป็นบุญหลังให้แล้วเขาก็จะมีอิจที่ดีเขาก็เป็นบุญไม่ใช่ว่าเขาก็ได้บุญสิเขาคิมว่าผมว่าเขาไม่ได้บุญหรอกเพราะว่าเงินที่ได้มาเป็นนที่ท้าขายี่จมาชีวะไม่ใช่เ้าบอกว่า ถ้าส่วนนั้นอ่ะไม่ชี้ที่บ้านไม่ได้จะใช่ก็เลยเสียงมาแปลงเขาก็จะบอกว่าเอานี้แล้วกันถ้าไม่ชี้กลับมาคราวหน้าถ้าไม่มีเจอบ้านอาจารยท่ทานสามารถตอบคำถามนีได้ที่จะเดชถามหรือจะเอามาบอกว่าเอาได้บุญหรือไม่ได้บุญคอ๋อคือคือย่างนี้เอ่ออันนี้ก็เป็นอย่างยี้นะว่าในหลักของการได้บุญหรือไม่ได้บุญเนี่ยก็ต้องไปดูตรงนั้นประกอบบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสเขาไว้ใน ขั้นสุดหบก็ดูก่อนพุนาบุรีบอกว่ า, อ า, บ, บ, อวาบอกว่าอุบาสกอุบาสิกานกี้วศาสนานี้ใช่ไหมขยันหมั่นเพียรเขายันหมั่นเพียรด้วยการอาบเหงื่อตามน้ําการประกอบอาชีพการงานด้วยลําแข้งใช่ไหมสแสวงหาทรัพย์นั้นด้วยความหมัน่นด้วยความชอบธรรมเมื่อได้ทรัพย์นั้นมาแล้วก็เลี้ยงตนให้เป็นสุข เลี้ยงพ่อแม่เป็นสุขเลี้ยงบุตรภรรยาเบาะไพ่เป็นต้นให้เป็นสุ ข, ลาาสขแล้วก็เลี้ยงเพือมม่อนพวกมิตรต้นนี้ให้มีความสุขต่างๆอย่างเงี้ยนี้ก็ชื่อว่าเป็นเป็นคุณสมบัติของหบวชสงฆ์บริเาะเราะแหล่ง ม, มิตรต้นแล้วก็ไล่มาตามลำดับตรงนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อได้ทรา์มาโดยความหมัน่นด้วยความขยันด้วยความชอบทำเสร็จแล้วก็คือทำพีกรรมห้าอ ย, ย่างญาติพี่สมคายญาติอิทิโนพีต้อนรับแขกและว่าไปตามลำดับและอีกค น, นก็คือว่า ปฏิสถานไว้ในทักษิเนย์าบุคคลในศาสนาก็หมายความว่าในบุรุเจ้าสาวว่าบุรุเจ้าในคําสอนบุรุเจ้าแต่ลักษณะเนี้ยถ้าทําไปแล้วเบ็ดเสร็จอย่างนี้ถ้าซั์นั้นมันจะวิบัติหรือมันหมดไปก็ชื่อว่าไม่เดือดร้อนใจเพราะได้ทําดีแล้วแต่ถ้าหากว่าทรัพย์นั้นมันเกิดจะพอกคุณหรือเจริญงอกงามขึ้นมาเนี้ยก็ชื่อว่าเราได้ทําถูกต้องก็มีเสียหายทั้ง2ส่วน3ส่วนก็ว่าไปนี่ก็เป็นหลักเป็นหลักในการวิธีใช้ในการตอบคำถาคือว่าในหลักของจารีของด้านของทานเนี่ย ก่อนให้ขนาดให้หลังให้นั้นชัดถูกต้องอันนี้เป็นบุญไม่เป็นแต่ทรัพย์ที่ได้มัเ น, น้นต้องต้องวางแนวสองมุมมุมว่าหนึ่งทรัพย์ที่ได้มาด้วยความหมั่นด้วยความกรหยันได้มาโดยทําได้มาโดยชอบทำไอ้ตัวนี้มันขาดไปนิดหนึ่งนั้ น, นพอขาดตรงนี้เราก็บอกว่าส่วนนี้ส่วนนี้ไม่ตรงแต่ส่วนเนามาทําบุญนี้อันนี้เป็นบุญอันนี้ก็ต้องแยกส่วนกันว่าหนึ่งในท้านของจารีสีผิดเพราะเป็นการประกอบ มิจฉาอาชีวะมาเป็นอาชีพที่ไม่หมดจดไม่บริสุทธิ์แต่เมื่อได้เงินมาแล้วเนี่ยส่วนนั้นเอามาทําบุญไอ้ตัวนี้ก็เป็นบุญในส่วนเงึนต่างหากแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าได้มาด้วยความขยันด้วยความหมั่นไม่ใช่แต่ว่าไม่มาโดยธรรมอันนั้นเป็นอะไรบอกเป็นมิจฉาอาชีวะเป็นการเลี้ยงชีพที่ผิดเมื่อได้มาโดยมิจฉาอาชีวะด้วยการเลี้ยงชีพที่ผิดอาชีพที่ผิดเหล่านั้นสิ่งของที่ได้มาผิดนั้นมาประกอบเป็นบุญนั้น บุญนั้นก็เลยกลายเป็นมีผลน้อยไปเลยอย่างที่เป็นต้นอันนั้นก็ต้องตอบ2 ส, ส่วนส่วนที่เพราะเขาเขาขาดคุณสมบัติทั้งความเป็นอุบาสกบาสิกาในข้อของการเลี้ยงชีพใช่ไหมค้าขายยาพิษยาขายสัตว์เป็นค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษใช่ไหมค้าขายอาวุธเนี่ยนะมันก็เป็นมิจชฉชาวนนิชาคือการค้าขายไม่ชอบทำทีนี้เองมิจฉาเขาวิวชาการค้าขายไม่ชอบทำอันนั้นก็เป็นหลักอยู่แล้ว นั่นเป็นหลักหลักแห่ง ก, การวิจัยสันนิษฐ ห, หนึ่งก็คือการมากอบบุญนี้ก็ต้องมาแยกแต่ที่สุดจริงๆก็เงินนั้นได้มาโดยไม่ชอบธรรมทีนี้อีกจุดหนึ่งก็ต้องบอกเขาบอกว่าเยาว่าแต่อย่างนี้เลยที่มียังถือว่าจุดผิดนี่จุดของคนที่ประกอบสมาชีวะแต่ประกอบสมาชีวะแบบคิดผิดแช่นดรระดาเนี่ยโอ้โหเป็นอาจารย์สอนขยันหมั่นเพียรมากไปก็ถึงนักศึกษาเอาจริงเอาจางังโอ้โหนี่นะ มีนะแต่ว่าเครียดไปทํางานเนี่ยโอ้โหตำริผิดคิดผิดตลอดแต่มันทําถูกงานมันถูกอบบแต่ความที่เดินจิตผิดอันนี้เห็นไหมว่าจริงๆแล้วรูปแบบเป็นสมาอาชีวะเป็นอาชีพที่ถูกแต่จิตที่คิดเน่ยเป็นวิชาอาชีวะเห็นไหมจิตที่คิดผิดเน่ยเป็นอกุศลไปอันนั้นก็ต้องบอกว่าคุณก็ต้องปรับจิตให้ถูกตามอาชีพที่ถูกเหมือนเป็นนักศึกษาเป็นอาชีพที่ถูกเนี่ยอาชีพนักศึกษาเนี่ย เป็นอาชีพที่ถูกแต่พอไปคิดผิดไปเข้าใจผิดพอไปดําริผิดไอ้ตรงนี้ไอ้ความคิดผิดตรงเนี้จึงเป็นบาปเขาให้ก็เลยกลายเป็นเดินอาชีพนั้นผิดในช่องทางที่ถูกใช่ไหมในช่องทางมันถูกนั่นแหละแต่จิตที่เดินเนี่ยโอ้โหไม่ได้บุญจากการเดินเลยอ่ะไม่ได้กุศลเลยอันนั้นก็ต้องแยกแยกประเด็นอยนั้นให้ชัดเพราะว่าในการตอบของชั้นศีลเนี่ยอย่าลืมชั้นจารีบ ก็เหมือนพวกเราเนี่ยชั้นจารีตบางทีพลาดบทเนี้ยพอชั้นของวาริตเจารีตคือพระวัดประเพณีนะเป็นข้อที่ควรประพฤติถ้าผิดแล้วเนี่ยไอวาฤตแต่ข้อห้ามก็พอยจะเศร้าหมองไปด้วยไม่บริบูรณ์ฉะนั้นสองส่วนเนี่ยนะข้อที่ทรงระให้ประพฤติกับข้อที่ทรงห้ามเนี่ยมันจะต้องสมดุลกันมันจะต้องเกื้อกูลกันมันจะต้องเป็นปัจจัยต่อกันแล้วก็เป็น ถ้าภาษาพระเขาเรียกอุปนิสัยคือการเกื้อหนุนกันสอดท้องกันประคับประคองกันเป็นพื้นฐานเป็นปัจจัยเกื้อหนุนก็จะทําให้ให้ศีลที่ตัวหลักเนี่ยมีความบริบูรณ์มีความชัดเจนมีความแข็งแรงมากขึ้นฉะนั้นตัวศีลที่เป็นตัวบริวารแวดล้อมทั้งหลายนั้นก็ต้องต้องดีต้องหมดจดด้วยอะไรี้ยทั้งหมดอันนี้ก็นน ก, ก็ต้อ ง, ต, องต้องสองส่วน แต่ดีปัญหาในลักษณะนี้ก็หนึ่งก็เหมือนมีคนคนหนึ่งเขาบอกเขาเพียดมากเขบอกเขาเลี้ยงสุนนะัขแล้วเขาก็เลี้ยงสุนนะัขของเขาเขาก็เลยขายอาหารสุนนะัขนี่บอขายอาหารสุนนะัขคนก็บอกว่านี่ไหมเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะฟังไงคนก็ก็ตุ้นเองขาก็ขายเขาก็ทา ม, มาบอกนี่เขามันจะเป็น ให่เขาขายอาหารจนนักเนี่เป็นอาชีพที่ผิด ไ, มไหมเรามันไม่ผิดไม่ผิดเลยใช่ไหมหนึ่งตั้งหลักให้ถูกก่อนว่าไม่ใช่เป็นวิชาอาชีพของคารวะแต่เป็นสมาชีวะได้แต่ว่าคุณน่ยผิดเพราะคุณเดินวิธีคิดเครียดมาตลอดเนะี่ยฟุ้งซ่านมาตลอดยนะแล้วคุณหงุดหงิด ต, ตลอดโดนตดําหนิโดนตีชิ้นเลยต่างใจขึ้นก็เผ๋เพราะคุณไม่แข็งแรงทางด้านคําสอนถ้าคุณแข็งแรงทางด้านคำสอนคุณก็จะแยกได้ว่าอะไรควรอะไร อันนี้ก็ก็บอกเขาไปอันนี้ก็ให้เขารู้จักว่าบางทีข้อห้าข้อนจริงอยู่แต่จริงๆก็ต้องกระทบไปถึงนู่นแหละหลักปฏิบัติในทิศทั้งหใช่ไหมก็ต้องเชื่อมโยงให้ถูกว่าอันนั้นเป็นชั้นของข้อคนปฏิบัติและข้อต้องปฏิบัติที่เราชาวพุทธเนี่ยก็ละเลยไม่ได้ถ้าละเลยก็เรียกว่าเสียศีลชั้นพื้นฐานพอจะขยบมาศีลในชั้นหลักเนี่ยก็เลยไปไม่เป็น สีในชั้นหลักไม่มีด้วยพื้นฐานก็แตกด้วยเขาเรียกแตกทั้งสองส่วนทั้งชั้นพื้นฐานฐานก็แตกศีในชั้นหลักก็แตกพอแตกก็คือเดินสิกขาสามไม่ได้เดินศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ชีวิตก็สัตย์ก็ไม่มั่นคนอันนี้ก็ก็ทำความก็จะเล้ยเวลาสิบห้านาทีไม่คิดว่าจะเดินกุศลศีล ต, ตรงนี้ ของหมดตัญหาแล้วนี่ยนี้เดินเดี๋ยวทาความเข้าใจตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะวันนี้วันที่สองแล้วเอ๊ะครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่ครั้งที่แล้วไปได้เร็วกว่า น, นี้นะสีระณะนี่ยนะคำ ว, ว่าศีเนี่ยมจาจากคาว่าศีระณะอักของศีลเนี่ยศีระณะในที่นี้ก็หมายความว่าตั้งไว้ได้ดีมาจากคำว่าสมาทานังเนี่นะได้แก่ความที่กรรมทั้งหลายกายกรรมที่ตั้งไว้ดีดี เ ข, เข้าใจคําว่ากายกรรมแล้นะการแสดงออกมาทางกายที่ตั้งไว้ได้ดี ว, ดวดจีกรรมกรรมที่กระทำทางวาจาที่ตั้งไว้ได้ดีไม่กระจัดกระจายด้วยอาการดยไม่กระจัดกระจายก็คือไม่สร้างไปด้วยความเป็นผู้ทุศีอย่างนั้นก็เรียกว่าศีละนะมาจากคาว่าตั้งไว้ได้ดีตรงนี้มาจากคาว่ากายกายกรรมอาทีนิสมาทะ สมาทาหันติเอเตนอาทิสีลาตรงนี้คุาว่ากรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นก้นตั้งไวไ้ด้ดีเหตุนั้นทำนั้นก็ชื่อว่าสีสีเนี่ยเป็นเครื่องตั้งไว้ได้ดีของกรรมทั้งหลายเป็นเครื่องนะฉะนั้นสีในที่นี้เลยเป็นเครื่องเป็นเครื่องอะไรคำว่าเป็นเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องที่ทำให้กายเนี่ยเป็นเครื่องก็ได้เป็นเหตุก็ได้นะ เป็นสภาวะก็ได้เป็นเหตุก็ได้เป็นเหตุที่ให้ให้กายกรรมตั้งไว้ได้ดีถ้ากายไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปพูดปินกักกามอย่างนี้ถือว่าตั้งดีไหมตั้งไม่ดีวดจีกรรมไปพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพิร์เจออย่างนี้ถือว่าตั้งวาจาดีไหมนี่เขาเรียกว่าตั้งไว้ไม่ดีฉะนั้นําว่าศีแล้วนะศัพท์เนี่ยอัดนี้ความหมายนี้อัดถาไปว่าเนื้อความเนี่ยความหมายเนี่ยนะหมายความว่าทําให้กาย ตั้งไว้ได้ดีทำให้วาจาตั้งไว้ได้ดีไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายด้วยทุจริตทั้งหลายไม่ไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายด้วยกายแะทุติดดิตทจติทุริยเห็นไหมฉะนั้นคำว่าศีลศีลเกิดที่ไหนศีลเกิดที่ที่ใจเมื่อเกิดที่ใจแต่ไปจัดแจงทำให้อะไรตั้งได้ดี ไปจัดแจงให้กายกวาจาตั้งไว้ดีๆเพราะจะชัดเจนนะนั้นศีลนะเนี่ยคําว่าศีลในที่นี้แปลว่าเกิดที่จิตใช่ไหมพอประชุมศีลที่จิตหรือสมาทานไว้ที่ใจแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาสังเกตใช่ไหมเราสวดมนต์เน่ยโอปัญญีโกแปลว่าอะไรควรน้อมเข้ามาใส่ตนเห็นไในที่นั้นก็แปลว่าน้อมตัวกุศลศีลเนี่ยเข้ามาใส่ไว้ในกระแสใจเราเนี่ยนั่น้นอมอย่างนั้นะ เมื่อตัวกุศลศีลเนี่ยนะมาอยู่ในใจแล้วตัวกุศลศีลนี่แหลพะพอเกิดในใจปุ๊บตัวกุศลศีลก็มาจัดแจงทําให้กายทําให้วาจาตั้งดีไหมตั้งไว้ด้วยดีไม่กระจัดกระจายด้วยความสั้นไปเพราะความทุสีพอจะมองเห็นภาพไหมฉะนั้นกายเราจะทําสิ่งต่างๆอย่างนี้ถ้าใจเราบาปกายจะเป็นบาปไป ห, หมดไหมเช่นถ้าเราเกิดความโลภ มีความสุขก็จะหยิบของของคนอื่นคิดรักแรกนี้ใช่ไหมเพราะโลภเนี่อยอยเอาซะเลยโกรธงดหดงิดเอาซะเลยดีกว่าเอาเรักซะเลยล่มหลงไม่รู้ตามความเปจริงไม่รู้บุญบาปแล้วเอาซะเลยเนี่ยเห็นไหมนี่การตั้งไว้ไม่ดีเป็นแบบเนี้ยถ้าให้กายกระจัดกระจายนี่เถอเรียกว่ากายนิสั้นไปแล้วกายนิสั้นไปแล้วฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่า วัจีกรรมก็เหมือนกันเช่นพอเกิดความโลคขึ้นมาพูดเท็จได้ไหมส่อเสียดคำหยาบเพื่อเจอได้ไหโกรธขึ้นมาพูดเท็จได้ไหมส่อเสียดคำหยาบเพืเอ่อเจอล่มล่มหลงไม่รู้บุญรู้บาปพูดเท็จก็ได้ส่อเสียดคำหยาบเพืเอ่อเจอและถือว่าฉลาดเลยนะโมหาเนี่ยเช่นไปพูดหลอกคนอื่นเป็นโมห oh ะนี่ยโดยมากพูดหลอกคนอื่นโอ้คิดคนมีโมห oh ะ<ม>นี่คิดวิจิตมาก คิดได้ต้องพูดอย่างนี้เขาถึงจะจับไม่ได้พูดอย่างนี้เขาถึงจะจับไม่ได้โมหาะนนเน่ยดูเหมือนปัญญาเปรียบเลยโมหะธรรมชาติคล้ายปัญญาท่านวะ่าเป็นมิจฉาญาณนะที่ไม่ชีถามว่าโมหะใช่ไหมคือมิจฉาญาณฉลาดสามารถที่จะพูดจะไม่คนจับได้ได้โอ้โถ้าบอกว่าเอ๊รักษาศิ่งก็คือมาอยู่ใน เนี่ยมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้แล้วก็ไม่ไปไหนมาไหนคือรักษาศีลนี่นก็ยุ่งคนติดคุกอยู่ในสิ่งแวดล้อมนหมอยู่อยู่ดีกับพวกเราอีกนะเขาจะปิดนั่นมากกว่าพวกเราอี ก, าา ก, า ก, าอกถามว่าคนติดคุกมีศีลไหมมีไห ม, ม, มไม่มีเห็นไหมเนี่ยเราจะได้เห็นชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าการมาปฏิบัติธรรมมันต้องมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้แต่พวกเราเนี่ยมาอยู่อย่างนี้เพื่อมาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจจะได้ขัดเกลารด้ จะได้จับประเด็นถูกเพราะจะมองออกในตรงนี้นะเขาถึงบอกว่ากรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นที่เป็นไปด้วยการความทุศีนเนี่ยในการนําสิ่งที่ไม่ใช่เป็นประโยชน์และความทุกมาให้ในปัจจุบันในชาติแล้วก็ในชาติต่ อ, ตอไปเนี่ยกรรมทั้งหลายในลักษณะนั้นเขาเรียกว่าตั้งไว้ดีหรือไม่ดีดีไหมเช่นกายกรรมการกระทําทางกายวจีกรรม การเปล่งวาจาที่พูดออกมานี่นะถ้าหากมีความทุศีลตอนนั้นไม่มีศีนนะถ้าไม่มีศีลเกิดขึ้นในใจเบนะ็ดเสดเน่ยการกระทําออกมาก็ฆ่าสัตว์รักษาพศ พ, ศพูดผิดในกล่าววาจาก็พูดเทเ็จส่อเสียดทำอย่างเท็จเจอใจก็เศร้าหมองใช่ไหมใจก็เป็นบาปถามว่าการกระทําลักษณะนั้นก็ว่าเป็นทุศีนไหมทุศีนหรือมีศีลหรือไม่มีศีนไม่มีศีล ความไม่มีศีลอย่างนั้นเขาเรียกว่าทุศีลอย่างนี้นำสิ่งที่ไม่ใช่เป็นประโยชน์และความทุกข์ใช่ไหมสิ่งที่ทํามีประโยชน์ไหมนําสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ในปัจจุบันไม่ใช่ประโยชน์ในพบหน้าไม่ใช่ประโยชน์อย่างยิ่งด้วยแล้วก็นําทุกมาให้ในปัจจุบันในพบนี้ด้วยแล้วก็ในพบต่อไปด้วยฮหเห็นไหมเบียดเบียนตัวเองทั้งในพบปัจจุบันแล้วก็ในพบถัดไปลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าความทุศีล อนนีกรรมแบบนี้ก็เรียกว่าตั้งไว้ดีไหมเนี่ยการกระทํากรรมแบบนี้เรียกตั้งไว้ไม่ดีนี่แหละกายกรรมวิจีกรรมทั้งหลายที่ตั้งไว้ได้ตั้งไว้ไม่ดีด้วยอำนาจของความทุกข์สิ่งก็คือการนําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มาสู่ตนเองแล้วก็นําความทุกข์มาให้กับตนเองก็เรียกการนําสิ่งที่ไม่ใช่เป็นประโยชน์และความทุกข์มาให้ในปัจจุบันปัจจุบันและไปในภบถัดไปถามว่า สิ่งต่างๆแบบนี้เราเป็นผู้ทําเองหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเราเป็นผูท้ทํานี่เราจะเห็นแล้วเนี่ยส่วนถ้ากายกรรมนะกายกรรมวจีกรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผลิตในการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อเพราะตอนนั้นใจมีศีลด้วยอํานาจของความเป็นผู้มีศีนะ่ะอย่างนี้แค่นำสิ่งที่เป็นประโยชน์และความสุขมาให้กับกระแสชีวิตของตนเองในปัจจุบัน แล้วก็ในการสื่อไปลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากายกรรมที่ตั้งไว้ดีหรือไม่ดีกายกรรมที่ตั้งไว้ดีวาจีกรรมก็ตั้งไว้ดีเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นการตั้งกายตั้งวาจาได้ดีด้วยอำนาจของความเป็นผู้มีศีลลักษณะนี้เขาเรียกว่านําประโยชน์และความสุขมาให้ในปัจจุบันนะพบและก็ในการต่อไปไหมในการต่อไปดีไหมการมีศีลมีดีไหมทีนี้ทีนี้ศีล เกิดตลอดไอ้ถ้าเราจะสามารถน้อมศีลมาเกิดตลอดได้ไหยถ้ามีความเข้าใจได้เลยเกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์ใดๆต่างๆศีลก็เริ่มมาเดินได้ในชีวิตจริงได้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยการขับเน้นยากไม่ยากที่จะทําให้ครูสศรสินเดินเนี่ยขับเน้นนี่ยากฉะนั้นในความหมายตรงนี้ท่านก็เลยชื่อว่าความไม่สร้างไปไงไม่กระจัดกระจายไม่สร้างไปเนีย เหมือนอยังไงเหมือนพระสังเกตไหเวลาพระท่านจะฉันอาหารก็ดีหรือพระท่านจะบินตบาาต่างๆท่านจะมีนสายตาทอดต่ำเงี้ยนะเป็นกิจที่พระองค์ทรงวางหลักเอาไว้เนี่ยตรงนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าท่านสำรวมหรือยอย่างเมชีเ ว, วลาจะทำอะไรผ่างสังเกตใิไมไกรณีอย่างนี้คือคือศีลเนี่ย เวลาถูกกล่อมกล่าถูกขัดกล่าวเยเสร็จแล้วเดิมนาของกุศลศีลที่เกิดในใจของแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะต้องเริ่มมาจัดแจงกายจัดแจงวาจาให้เป็นไปเดิมนาคความไม่สร้างไปเดิหน้าของความไม่มีศีลเช่นจะมองสิ่งต่างๆปุ๊บเนี่ยต้องดําหลี่ไว้ก่อนนะว่ามองไปแล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้กับศีลหายไปจากใจนหเพราะเขา ถ้าเหล่านั้นจะรักศีลตัวเองมากกว่ารักศี่เพราะศีลนั้นเป็นรัตนะปณีเป็นรัตนะอันสูงสุดเมื่อบุคคลอาศัยรัตนานี้แล้วจะพ้นจากบุพเพสันนิวาสทุกข์ได้และศีลเน่ยเป็นที่พึ่งศีลเป็นสารนาทำมังสารนังกระฉาเนี่ยเป็นเครื่องกำจัดภัยภัยคือโรคโกรธหลงใช่ไหมภัยภายในคือความกลัวต่างๆเพราะเขามีศีลเขาเลยไม่ต้องกลัวอะไรเอางี้ ถ้าคนมีศีลจะตายเดี๋ยวนี้เขาก็ตายได้เพราะตายแล้วก็ได้ดีก็เหมือนกับปุณณกายยากถามวิทูลบัณฑิตถามบอกว่าท่านไม่กลัวตายเพราะจับหัวใช่ไหมแล้วก็ห้อยจะทิ้งลงในภูเขาเอา๊ะทำไมท่านไม่สะดุ้งท่านบอกไม่กลั ว, ลวท่านไม่กลัวตายหรอกเพราะอะไรเพราะท่านมีศีลเพราะท่านมีกัญยาธรรม เพราะท่านเพราะท่านรู้ศาสตร์รู้อรธรรมรือเอาสิถ้าท่านตายท่านก็ไปสุคติเพราะเราเนี่ยจะบอกว่าเราไม่กลัวต่อความตายถึงแม้เราตายเราก็ไปสุคติเราไม่ได้ทําชั่วอะไรเราจะต้องไปหวาดหวันเราไปสะดุ้งกลัวอะไรต่อความตายนั้นเห็นไหมเนี่ยตายก็ได้ดีอ่ะแต่คนที่กลัวต้องคนที่ทําชั่วอย่างเช่นท่านที่กําลังจะฆ่าเราเห็นไหมเนี่ย ไม่ใช่มีศีลอย่างเดียวมีปัญญาด้วยไหมเนี่ยถ้าคนตอบแบบนี้แปลว่าคนมีปัญญาใช่ไหมเราไม่ไทําชั่วคนทําชั่วที่ต้องกลัวว่านี่เราไม่ทําชั่วเราจะไปกลัวอะไรโอ้โหจะทําทําให้ศัตรูเริ่มคิดแล้วเอาเลยเร า, เร า, เ, ราเราจะฆ่าใครเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยที่ไม่กลัวไม่กระทั่งความตายที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแล้วไม่กลัวต่อว ร, รณาภัยที่กําลังจะมาถึงด้วยแล้วพอปล่อยบอกนันท่านท่านตไปเถอะ มีวิถีรัณฑิตก็บอกก็อยากจะไปดูยังเมืองพญานาคเีอยแท้จริงมีเป้าหมายจะช่วยปุณละกายักษ์เลยเพราะปุณละกายักษ์มีผิดหวังใช่ไหมต้องการจะมาจาะวิถีรัณฑิตเนี่ยเอาก็ไปเลยบอกคุณท่านไม่กลัวหรไม่กลัวแล้วกลัวทําไมเรามีปัญญากลัวทําไมแล้วใช่ไหมคนมีปัญญาไปกลัวอะไรนอกจากมีปัญญาไม่พร้อมมีศีลด้วยมีศีลมีกัลยาณธรรมมีภูษณ์เนี่ยไม่กลัวไปที่ไหนก็ได้ไม่เดือดร้อน ใช่ไหมตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะตายแล้วก็ได้สุกติ เ, เห็นไหมเนี่ยความคิดที่ขาดความคิดที่ไม่กังวลใดๆแล้วเราเนี่ยถ้าจเจริญกุศลขีดสุดแล้วเนี่ยเราก็จะคิดแบบเนี้ยแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ได้เพราะกุศลไมบริบูรณ์ใช่ไหมแต่พระพุทธญาเนี่ยตอนนั้นเน่ยเป็นพระพุทธศาสน์ท่านคิดได้อพอลงไปในเมืองพญานาคปุ๊บเจ้าแห่งในเมืองพญานาคก็ถามพอเดินเ ด, น เ, ดนเดินก็ไปโอ้โหเขาหมอบคานกันหมดเลยก็ทำความเคารพอยู่นะ ก็ถามว่าไอ้เอเนี่ยทุกคนทําความเคารพเราหมดจะไหมท่านยืนตรงไม่ทําความเคารพเราวิถี ร, รัตนนิธก็บอกว่าท่านคงลืมไปนะกฎของเพชฌฆาตกับนักโทษหนึ่งนักโทษจะไม่ทําความเคารพเพชฌฆาตก็เพราะว่าตอนเองเป็นนักโทษทหารใช่ไหมถูกจับมาเนี่ยในเมืองบญานาเขต้องการมาฆ่าอยู่แล้ว ฉะนั้นก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปทําความรบเพชฌฆาต ห, หรือคนที่จะต่างทําร้ายเราใช่ไหมเห็นไหมว่านอกจากมีศีลแล้วมีปัญญาด้วยนะมีปัญญาในการที่จะตอบโต้โต้โตอบเลยอย่อางก็ถามนี่แล้วท่านไม่กลัวต่อความตายหรือไม่เราตายก็ไปสุคติเพราะในชีวิตไม่เคยทําชั่วแต่คนทําชั่วแต่งหากนี่ต้องกลัวต่อความตายเอ๊พูดน่าคิด ก็เลยบอกขอคุยเล็กน่อยก็เลยคุยบอกว่างั้นขอสนานานห น, หน่บอกว่าเออท่านมีอะไรแนะนำเราไหมนี่ก็ถามบอกว่าเนี่ยถามหน่อยรัตนะก็ดีบริวาร น, นางหน้าทั้งหลายมีบริษัทบริวารเยอะแยะไปหมดเนี่ยทรัพย์สมบัติเพชรมีจิมดาตมไปหมดสถานะเป็นเจ้าเป็นดินในในในนาคภพเนี่ยท่านมาได้เพราะอะไรเอ้ามาได้เพราะบุญนะ สิงอะไนี้ได้ก็ได้เพราะบุญก็ไปเย้าเขาไเาย้าทําบุญไว้ถึงได้ฐานะเช่นนี้ก็เลยบอกว่าเอาถ้ามาใ น, นปัจจุบันนะพบเนี่ยท่านไม่ทําบุญเนี่ยท่านมาทําความชั่วเสียแล้วเนี่ยแล้วแล้ ว, ลวในในการต่อไปท่านจะได้ฐานะนี้ไหมส่งไม่ได้แล้วเอา้าทางนี้ไหมเวลาย้อนถามไปในลักษณะนี้แปลว่าอะไรบอกเองแล้วเราคิดจะฆ่าคนคนนี้ยซึ่งเป็นคนมีปัญญามีมคุณธรรมมากเนี้ที่เราทําชั่วเสแล้วเนี่ย เนื้อนัเข้าเนืเข้ขาวิบัติทราบสมบัติของเราก็จะพลอยพังเพราะการจะทําชื่วของเราในครั้งนี้ก็ดํำหิีทําให้คิดได้อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าคนมีปัญญาพอพอเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆก็ไม่กลัวตายแล้วก็อาจถามอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในชั้นของความไม่กระจัดกระจายไปด้วยความไม่สซ่านไปเนะี่ยไม่สซ่านไปด้วย ด้ทษจริตทั้งหลายก็กายยทุจริตวจีทุจริตเป็นต้นอันนั้นเขาเรียกศีล น, นั้นศีลความหมายหนึ่งส่วนศีลความหมายที่สองคำว่าศีลนานี่ยเขาแปลว่าเข้าไปทรงไว้มาจากคำว่าอุปธารณนั่นี่ความหมายที่สองนี่นะเราอาจจะได้แก่ความรองรับไว้ด้วยอํานาจความเป็นที่ตั้งมั่นด้วยภาวะที่เป็นประธาน ประธานเหตุแห่งความเป็นไปที่ไม่หวั่นไหวของกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้เหมือนฐานรองรับฉะนั้นคําว่าศีรณาในความหมายคําว่าอุปัฏารานังเนี่ยมันหมายความว่าเป็นฐานรองรับกุศลธรรมเบื้องสูงเข้าไปทรงไวเนี่ยตั้งมั่นแห่งเป็นมูลเหตุของกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะถามว่าตั้งมั่นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายในที่นั้นหมายถึงอะไรก็หมายความว่าสมาธิ ปัญญาเห็นไศรัทธาวิยาสติสมาธิปัญญาในระดับของชั้นของสมาธิในชั้นของปัญญาทั้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าตัวกุศลศีลไม่ตั้งมาฉะนั้นตรงนี้เลยเหมือนว่าเป็นเหมือนกับภาชนะรองรับเหมือนอย่างนั้นเลยเหมือนฐานของเจดีย์ไงใช่ไม้มเวลาเขาจะสร้างเจดีย์ฐานของเจดีย์มันก็จะรองรับที่จะตัวตรงกลางของเจดีย์แล้วก็ยอดของเจดีย์ ไม่ให้ล้มใช่ไหมถามว่าตึกเนี่ยเวลาก็จะปลูกตึกนี้ขึ้นมาจะต้องมีฐานดีไหยต้องมีฐานดีชันใดตัวกุศลศีลก็เป็นแบบนี้ทีนี้พอเราเข้าใจในชั้นของศีลสับอย่างนี้เบ็เสร็จนี้ท่านที่จริงความหมายมีหลายความหมายนะแต่ที่เอาความหมายตรงนี้มาสองความหมายแต่ปกติก็มีไหมบอกมีจะไม่ขยายไปตรงนั้นแล้ะปกติตรงนเนี้ยนะถ้าปกตินั้นไปเที่ยวกับพวกอุตตรกุรุทวีปพวกนี้ก็มีศีล่เป็นปกติอย่างนี้ น, นี้จะไม่เอาแต่แต่ว่าเอาในลักษณะว่าตัวนี้เอาสอ ง, สองคําเอาลักษณะว่าไม่ให้กายวาจาเนะี่ยสร้างไกปริบบะกับเอาความหมายลักษเป็นทรงไว้ซึ่งคุณธรรมเบื้องสูงก็คือสมาธิปัญญาพิทูลนั้นให้สังเกตดูนะว่าสติสัมโพชฌงทำมวิจยะสัมโพชสติสัมโ พ, มพชฌงคือการระลึกที่เป็นไปเพื่อการจะเป็นปัจจัยเกการทัส ร, ธธรูธรรมทำมวิจยะการวิจัยเป็นธรรม วิริยะเห็นไหมวิริยะปีติปัสทสถียรปีติความอิ่มใจปัสเสถีความสงบสมาธิความตั้งมั่นอุเบกขาก็คือความวางใจเป็นกลางต่างๆเนี้ยคุณธรรมเบื้องสูงต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีกุศลศีลเป็นเป็นตัวเข้าไปทรงคุณธรรมเหล่านี้ไว้สรุปก็คือว่าตัวกุศลศีลเมื่อตั้งมั่นดีแล้วคุณธรรมเบื้องสูงต่างๆก็สามารถ สามารถลองรับคุณตามเบืงสูงเลยทุกระดับเพราจะมองเห็นเนี่ยตรงนี้สามโมงเลยสามโมงเขาพักหรือเปล่าดรเลดี้พอวิจัยใช่ไหมธรรมวิจัยยากสั์เดียวกันกับวิจัยถังก็วิจัยยากพอทําไมถึงใช้คาว่าวิจัยใช่ไหมเหตุผลอ๋อคือธรรมวิจัยยาสามโคดชงเนี่ยเป็นองค์แห่งการตัศรู้วิจัยยาเนี่ยแปลได้หลายเนย่าบางศัพท์ท่านใช้คําว่าเฟ้น เฟ้นธรรมก็คือวิจัยอะไรวิจัยอริยสัจวิจัยว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกท่านยังเรียกว่าวิจัยยะเรียกว่าวิจัยธรรมวิจัยยะเฟ้นธรรมก็ได้แต่ว่าตัวธรรมะเหล่านี้คือไปวิวจัยยะไปแยกแยะแลักษณะที่จะไปเจาะทะลุทะลวงนั่นเองแต่ ว, วิจัยยะเนี่ยแยกแยะเพื่อจะเจาะทะลุทะลวงให้ตรงเป้า เพื่อไม่ให้ผิดพลาดเหมือนอะไรเหมือนกับลูกธนูที่ยิงนายขมังธนูที่มีความแม่นยํามากยิงปุ๊บเนี่ย ไ, ไม่พลาดเป้าเลยคือเจาะทะลุทะลวงก็ไปถึงทุกไดาเจาะทะลุทะลวงก็ไปถึงเขี่ยให้เกิดทุกได้เจาะทะลุทะลวงได้ถึงพระนิพพานคือความดับทุกได้เจาะทะลุทะลวงไปถึงมรรคคือข้อปฏิบัติให้เขาดึงความดับทุกและไม่ใช่แค่นั้นนะครับวิวจัยญาณเนี่ยเจาะไปแยกแยะไปถึงความไม่เที่ยงได้ ความเป็นทุกข์ได้ความเป็นอนาตถาและความไม่งามของกระแสของรูปขันธ์เป็นต้นได้เห็นไหมเจาะก็ไปถึงไตรลักษณ์ได้ด้วยแล้วก็สามารถที่แยกแยะบุญบาปชัดเจนเลยลักษณงนี้เขาเรียกวิจัยยะก็คือการวิจัยทําเป็นธรรมวิจัยยะเป็นตรงตรงศัพท์เลยธรรมวิจัยยะเนี่ยตรงศัพท์แล้วก็เป็นธรรมก็อัตถาก็คือเป็นชื่อของปัญญาใช่ไหมปัญญามีหลายความหมายสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบใช่ไหมก็คือปัญญา แล้วก็ปัญญีนีใช่ไหมปัญญาภละกําลังคือปัญญาธรรมวิจยะก็คือการวิจัยการเฟ้นธรรมอันนี้เป็นชื่อของปัญญาอโมหะคือความไม่หลงใช่ไหมเนี่ยวิมังสาเนี่ยการไตร่ตรองเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญญาหมดเลยต่างกันโดยพยัญชนะอัถะอันเดียวกันความหมายเดียวแต่อาจจะไปใช้พับอะไรที่ ถ้าปันญีนซีก็ขับเน้นไปที่ความเป็นใหญ่ในความไม่รุ่มหล ง, งนะี่นะฉะนั้นก็พักก่อนดีมา